อันนี้เราก็ไปที่เด็กๆ ก, ก่อนตามทำเนียมนักคุณจากโตเกียวกลาพระอาจารย์เจ้าค่ะาจาย์คะไงนักคุณสนไหมให้นสนหยังสนแต่จหนูอยากจะถามพระอาจารย์ว่าทาไมเวลาทำไม่ดีจะได้เปน็นไนยกาจะทำดีจะได้เปน็นชาวันนี้พพานก็ถามพระอาจารย์ดีให้ไปถามนีพระอาจารย์ก็ มีคำถามก็อยาจะบอกว่าทำไมเรายาทำไม่ดีอยาจะได้เป็นนายกถ้าเาทำดีอยากจะได้ไปนิพพานชั่ววันอาเป็นนายกไม่ดีแต่เป็นนายกมันทุกเงาปวดหัวอือไปนิพพานนั่นลกค่ะอาจารย์ฮะนรกค่ะเขาพูดไม่ชัดเขาพูดลอยเรเือเป็นยอยักษ์ค่ะเขาบอกทำไมถึง <laughs> เป็นไปนรกค่ะอ่าทำไมถึงไปนรกอ่าไปนรกเพราะว่านั่นแหละมันเป็นที่ ที่เวลาทําไม่ดีแล้วมันจะต้องไปเหมือนติดคุกอ่ะไปติดคุกรู้จักคุกไหมดูจักคุกไหมคะเดี๋ยวยืนนอจ ail อโอเคโอเคเข้าใจนะอย่าทําไม่ดีนะเดี๋ยวจับถูกจับไปติดคุกนะไปทำดีทําดีแล้วจะได้ไปไปสวรรค์ไปเที่ยวไปเที่ยวโตเกียวไปเที่ยวโกเบไปเที่ยวอ่โยโกฮาม่าอะไรต่างๆดีไหม เดียว <Okay. S 1> ถาม่อจันดีไหมอืมโอเคขอคถามเนี่ยคืออะไรค่ะถามพ่อจันถทางนู้วรืค ว, วันนิพพานสวรรค์นนสวรรค์เป็นที่มีความสุขมากมากเหมือนตอนที่หนูไปเที่ยวดิสนียแลนด์นะนะคือสวรรค์นนะเคยไปที่ยดิสนียแลนด์ไหยัง ร้องไห้จ้ากเลยค่ะมาเจอไปเจอผู้ของไฟระเบิดที่ดินนิซีร้องไห้ไปที่มีความสุขมีความสนุกสนานะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจนะสวรรค์กุณนะนิพานเข้าใจไหมอยากไปนิพานมากกว่านิพานก็มีความสุขหมือนกับสวรรค์แต่สุขมากกว่าสวรรค์ ไปไหมไ ป, ไปไปด้วสะเนี<ะ>่ยทำดีนะต้องทำดีอยากทให้แม่เสียใจนะต้องทำให้แม่แฮปปี้เข้าใจไหม you understand โแต่ยังจะซนอยู่อ๋อแต่ยังจะสนอยู่ยังจะซนอยู่สนเข้าไปไม่ได้นะแต้อยากจยากไปนิพพานต้องไม่สนต้องเรียบร้อยขอมีพ่อแม่สักหน่อยค่ะช่ <laughs> อืม okay. finish ยังหมดแล้อ่ะหมดแล้วโอเคกราบพระอาจารย์ต่ออยู่ค่ะกราบค่ะนอนหลับฝันดีนะคะขันคออนอนหลับฝันดีนะว่าจะเอาไปเล่นต่อได้กราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์หนูไม่มีอะไรใช่ไหมหนูไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์จิตใจมันคงแล้วก็ไม่ค่อยแกลกปฏิบัติตามที่พระอาจารยบอกทุกวันค่ะ ยินดีตามมีตามเกิดเราเลือกไม่ได้เมื่อก่อนะค่ะพระอาจารย์เลือกไฟล<ร>ี่พานได้แต่เลือกให้โลกนี้เป็นตามความต้องการของเราไม่ได้นะใช่ค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกทุกอย่างเลยค่ะพยายา ม, มไม่ไปพอเราไม่หวังเราก็จะไม่เสียใจแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอะไร<ช>ไม่ได้อยากเราเป็นอย่าง<ร>ที่เราต้องการออย่าลืมเมื่อวันนะค่ะพระอาจารย์ ไม่กล้าไม่กล้าละเลยการปฏิบัติอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ช่วงก่อนหน้าที่ที่ที่มีเรื่องอปัญหาครอบครัวหยุดไปสองสางเดือนมันมันปฏิบัติไม่ได้เลยค่ะทีนี้เลยไม่กล้ไกาได้ค่ะพระอาจารย์มันมันมันลืมไปเลยว่าเอ๊แล้วมันจะต้องเข้ายังไงต่อติดใจมันมันไม่สงบเลยเวลานั่งสมาธิค่ ะ, อะตอนนี้รักษามาได้ทุกวัน อนานะคตก็ไม่น่ายังอาจจะมีมรสุมอะไรก็ได้ต้องพยายามลคอยเตรียมรับมรสุมต่างๆเหมือนใต้ฝุ่นเนียที่โตเกียวนี่เข้าบ่อยปีสองสามลูกไมอยจะช่วงปลายลายปีแต่ปีนี้ไม่ไม่ค่อยมีเลยค่ะพระอาจารย์ลูกใหญ่ๆ ม, มาก็แบบเฉียดออกไปก็ก็ดีละค่ะเข้า <c oughs> <c oughs> มาทุกด้านเลยมันมาเราห้ามันไม่ได้มันก็ต้องเตรียมรับอย่างเดียว ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ที่ที่เคยเรียนพระอาจารย์นะคะ่ะว่าที่ทํางานเจ้านายเขาก็เป็นห่วงมากเลยโว oh, โดนปัญหาทุกด้านทั้งเจ้านาย mm hmm. ที่โดยตรงก็มีปัญหาเขาก็เลยแบบอยู่ทําใจได้จริงจริงหร อ, อยูไม่สบายหรือเปล่าอยู่เครียดตรงไหนไหมหนูเขาบอกว่า mm hmm. หนูไม่เป็นอะไรเลยเขาก mm hmm. ็มันทําได้ยังไงอ่ะมันมันไม่เป็นอะไรเลยเหรอไม่ ไม่เครียดไม่รู้สึกแบบว่าป่วยตรงไหนมา้างไหมกินได้หรือเปล่านอนหลับไหมคือเขาเป็นห่วงมากค่ะว่าอยู่คนเดียวเพราะเรามีพุโทโอมีพุทธ ด, ดาใช่ไหมพุทธดพุทธดาปกป้อมีบอกเขาทุกครั้งเขาก็แบบเรียกไปคุยทุกอาทิตย์เลยบอกว่า อ, อาทิตย์นี้อยู่เป็นยังไงอยู่มีอะไรอยากจะบอกเราไหมก็บอกไม่มีทั้งที่ไปขึ้นศาลมาเขาก็เป็นห่วงเลยคะ่ะว่าเราจะดาวไหมเราจะเป็นอะไรไหมค่ะ ขอบพระคุณนะเพราะคุณขนะ อ, องพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างเนี้ยผกป้องรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ป่วยหมายนะพระอาจารย์เราลึกถึงมรณะนุสติอยู่ด้วยเสมอค่ะว่าถ้าวันหนึ่งมันถ้าเราไม่ตายแล้วมีคนรอบข้างเราตายหรือจากเราไปทั้งจากเป็นจากตายเราจะทําใจได้ไหมแม้แต่ลูกเองก็ตามค่ะทุกอย่างต้องจบทุกคนต้องไปสู่ที่ สุดท้ายของชีวิตทุกคนอ่ามันมันมันถูกกำหนดมาอย่างนี้ให้เราปฏิบัติรือป่าคะแบบให้อยู่นนันเดียวก็มาเกิดเนี่ยถ้าไม่อยากจะเกิดกน็น่องไปเรื่องราเป็นบุญของเราตอนนี้เราเป็นอิสระใช่ไหมหมดบ่วงไปบว่วงแล้วนะใช่ถา่ารู้รสึกแบบสบายใจโลก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะธรรมะจัดสรรให้เราสละมละาเลยไม่มีความคิดที่อยากจะแบบ มีอะไรอีกแล้วค่ะมีครอบครัวมีแม้แต่เพื่อนใหม่ๆก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีหมายถึงคุยเรื่องเดียวกันก็ก็ไม่ได้มีกานทําความรู้จักใครอะไรใหม่ๆเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะก็ไม่น แ, นแน่นะของพวกนี้เดี๋ยวมันไปเจอของใหม่เข้าเดี๋ยวมันจะเล่นของเก่าก็ได้โอ้โหถ้าแบบว่าเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านขึ้นไปก็ก็ก็ยินดีพี่เจริญนาคค่ะ อาจจะไม่เป็นเศรษฐีแต่ก็อาจจะมันกินดีรับใช้เราอย่างนั้นก็โอเคค่ะบยูใจอ่อนอยใจอ่อนนะสาธุสมพรค่ะพระอาจารย์พรมันมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะจะพยายามตั้งสติแล้วก็ยึดพุทโธไว้เป็นที่พึ่งทางใจค่ะพระอาจารย์ อ่าประสบการณ์เป็นบทเรียนนะาดีเป็นบทเรียนอ่าดีใจมากๆาเจ็บแล้วต้องจำเนี่ยโอ้หจำจแม้นจำนานเลยค่ะเพราะว่าดีนะที่ที่ได้ทำมาแล้วก็ได้ได้มารู้จักเอ่อเพจพระอาจารย์ก่อนเลยได้เข้ามาฟังทำของพระอาจารย์ฝึกไว้เป็นปีๆอะค่ะมันช่วยได้มากจริงๆค่ะอ่าดี อ่าทุกนะอ่าทุกค่ะเพราะอาจารย์คะมีน้องคนหนึ่งเขาตามฟังพระอาจารย์แล้วเขาก็ตามไปสวดมนต์เอ๊ะตามไปฟังธรรมะพระอาจารย์ที่กุติตามไปเอตักบาตรเขาแอบมาฟังอยู่ในนั้นหนูหอบอกว่าเขามากราบน ว, วัช ก, การพระอาจารย์บ้างก็ได้เขายังไม่กล้าค่ะแต่เขาว่าเขามีปัญหาที่ทํางานเหมือนกันค่ะชก็อสอนเข้าไปช่วยกันแบ่งแชร์วิธีแก้ไขปัญหา ค่ะเขาบอกว่าช่วยได้มากเลยทุกๆวันนี้เขาเวลามีเรื่องไม่สบายใจที่ทำงานเขาเขาก็จะมาฟังพระอาจารย์ค่ะอืมสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ ะ, ะไปที่เจสซี่กับจมามัทกราบนัสการพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้จะมาส่งกันบ้านครับ เช่นใครถามบานมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลมบนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้และเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้บนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากความรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของเบตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่อนอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบผลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสื่อไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอย่าลืมนะอันนี้เป็นของ ที่จะช่วยปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกได้ครับโ<ะ>อเคแล้วนั่นทางเรามีอะไรบ้างมีผมข น, ขนเล็บเล็เลฟันหนังนเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดม้าหัวใจตับผังพืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีศัก น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนื่อนน้ำมันค้นน้ำตาลน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่้อดน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่อดน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหล่น้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสจน้ำดี ยี่ในสมองศีรษะอาหารเก้าอาหารใหม่ใส่น้อยใส่ใหญ่ปอดไตผังพืชตับหัวใจน้ำยี่ในก ร, ร, ระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผ ม, มนี่คือน่าใกายมีตัวเราอยู่ในนี้เปล่ะไม่มีครับอมเราเป็นใคร เราเป็น Man, อินเวสตเวอร์มนเนาะเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนะครับร่างกายเป็นอะไรเราต้องเฉยนะไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจครับเอดใจนะเข้าใจใช่ไมโอเคมีอะไรไหมนะวันนี้จะมาะรยายงา น, นครับว่าสอบตกครับเนียสอบตกแล้วอใช่ครับก็คือก็คือเหมือนตรง ถ้าคือเท้าเท้าตรงแบบข้างหน้าตาดตัวมะครับก็บวมๆหน่อยครับก็เลยไปหาหมอครับแล้วก็พอไปหาหมอแล้วครับพี่พี่พยาบาลก็เหมือนนัมองก็เหมือนครัแบเหมือนทำท่าเหมือนแบบ worst case ครับก็เลยร้องไห้ครับเนี่ยทำไมต้องร้องไห้เลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ครับมั น, นตกใจครับตกใจไม่ตั้งสติไม่เตรียมตัวไว้ก่อนนะ ครับอ่าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่ครัอ่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ครัโอเคอ่าท่านคอยบอกมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราเรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปครับออ่า ใ, ใจเราต้องเข้มแข็งใจเต้องเฉยเฉยไม่เดือดร้อนนะครับ แล้วก็วันจันทร์ก็วันจันทร์วันจันทร์นี้ก็ไปก็ไปหาหมอมาแล้วครับแต่ครั้งนี้แม่ชีมาเหนียวเมตตาอธิบายเมตตาสังสอนว่าร่างกายนี้เหมือนตุ๊กตาครับก็เลยไม่ค่อยกลัวเหมือนเหมือนวันก่อนครับอ่าดีไดสติกลับมาได้ปัญญากลับมานะถ้าท่านได้ความหนุงว่าคิดว่าเราเป็นนัาา่งกายแล้วน อนจะแย่นะอัอนนี้เราไม่ได้แย่มัได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนะคะอืมเอ๋อาจาตีมีมีข้อสอบไก็มีครับอืา ม, มีอะไรบ้างก็สอบบทุกันครับอืาไสอบว่าไปทาอะไรมาถึงตกอ่ะก็คือตอนนั้ น, น แ, บบแบบนกับอาได้นาฬิกาเป็น นาฬิกาที่เราได้ครับแล้วก็ตอนนั้นหยาบมากแต่ว่าเออไม่ได้ก็เลยเสียใจใช่ครับอืมแล้วเสียใจยนานไหมก็เพราแม่เออตบใจก็ไม่ค่อยร้องไห้แล้วครันก็ยังได้หายเลยอ่ะก็เริ่มหายแล้วครับยังหยากได้อยู่ไม่ครับ ใช่เคลียร์ได้หรือความอยากของเราทําให้เราเสียใจเวลาเราไม่ได้ไใช่ไหมอยากไม่อยากได้อะไรให้มันมาเองถ้ามันมาก็ถ้าถ้าชาอบก็เก็บมาไว้ไม่ชอบก็ให้คนอื่นไปก็ได้ถ้าไม่ได้ก็อยู่แบบนี้อยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้ไม่ตายนะอืม ดีกว่ามีรั้ทุกข์มันอยากได้แล้วไม่ได้เราจะทุกข์ใจนะโอเคพยายามทำต้องฝึกสบาทที่ให้แล้วลใจจะเฉยได้ใจสบาทที่ยังน้อยไปพ้นั่งให้มากกว่านี้นานกว่านี้ไหวไหมะไหวครับเวลาจะลุกก็ถนพุโทโธพุโทโธไปสักพักหนึ่ง่ออย่าเพิ่งลุกรอต่ออีกห้านาที พุโทโธพุโทโรตอไปอีกห้านาทคีครับครับโอเคมีอะไรก็ปาบไม่มีอะไรครับไ ม, ม่มีไหมคงรูก็คิดถึงความตายทุกวันนะครับก็ร่างกายนี้มันจะแตกดักมันจะต้องคืนเขาอะค่ะแล้วบางทีเวลาไปเห็นคนเยอะๆโหคิดว่าตายเรียบเลย ไม่เหลือใครเลย อ, อะไรเงี้ยค่ะค่ะนั่ในห้องนี้ห้องสูงนี้ก็ไปหมดเลยใครไปฝ่าใครนั่อ่าสงบที่แบบค่ะเห็นแล้วมันจะได้สลดทั้งเม่จะได้ไม่หลงไม่ไม่หลงไหลกับสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้อเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวชิ้นเดียวอือมีแล้วนะแต่ระวังอยากคิดไปจนทั้ไม่อยากอยู่ก็แล้วกันนะ อถ้าคิว่าเบื่อไม่อยากอยู่นี่ก็ก็เป็นกิเลสม่นยังอยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปแต่อย่าไปอยากตายถึงแม้จะทุกข์ถึงแม้จะไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความอะไรก็อย่าไปอยากตายอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสนะถ้าอยากตายออยากอยู่ก็กิเลสอยากตายก็กิเลสต้องอยู่เฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้ถึงถึงจะเป็นธรรม อธิานะแต่ก็ต้องอย่าลืมความตายไม่ลืมแนละ้วมันก็อยากจะอยู่พอมันจะเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทุกแบบจมามัสกันแจสตีนะ้ทุกอนยะ่แต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายอนะ่ะพอเป็นอะไรขึ้นมาก็ก็รู้อย่างมากก็แค่ตายถ้ามันไม่ได้อย่าลืมความตายคแล้วตอนพาจะมาตีหาหมอว่า เขาบอกจะมัดท้องกดทรวงรูกร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอย่าเนี้ยหมอหันมาดูหนูทําไมมันจะไม่ใช่เหรอคุณแม่ร่างกายของพวกเราหนูเลยเนาะอย่าไปเชยคนตามหมอใช่ใช่หนูก็เลยไม่พูดอะไรแล้วเอาชาชาของเราไปโอเคในขนาดเป็นหมอขนาดเป็นหมอยยังไม่รู้จัดใจเลยว่ามใจกับร่างกายเป็นคนละคน เนียอวิชามันหลอกได้ไมมกระทั่งหมอทั้งคน ท, ทั้งโลกนี่ถูกอวิชชาหลอกมดุดหลอกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเนีพ<ม> อ, อเราช่วงดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หา<ม>หายากแสนยากที่น้นๆจะมีคนเจอความรู้ความจริงอันนี้<ม>อนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราอื ม, ม โอเคนะทาต่อไปอย่ากลับมาอย่ากลบมาถ้าตามได้ยังยังไม่พ้นทุกยังไม่หมดทุกคนต้องอาสัยธรรมะนี่โอเคไปที่น้องตะวันค่ะครับทุกคนุกครับอาจารย์ครับตะวันเป็นยังไงวันนี้มีอะไรไหมครับพระธรรมสัมประจันครั บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบวันนี้ไม่มีอะไรครับเออเมื่อกี้ท่องตามใช่ไหมกับแจ๊ดตี้หรอ่าเออของเออ เออของบุญแล้วบาบเนาะบุญแล้วบาปช่องมาได้แจ<ต>่ก็ล r งแ t ร s e you อืมแล้วการใชดด้สองหน้านีอยังผมคนได้ได้ไ ด, ได้แล้วนะโอเคอต้องทุกวันนะก่อนนอนก็ไดนะ้ก่อนนอนเ่องแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปนอน ถ้าหัดแผนเมตตาได้กันดีหัดส่วนบทแผ่เมตตาเพร่อไม่ได้แผ่เพียงใดแต่เรียนไว้ว่าแผ่เมตตาอย่างไรสัตเปรตสัตตาเวลาของตุกหมายสัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรกันเถิดอธรรมญาปรชาชญ์ของตุจงไม่เบียดเบียนกันเถอดคือเราอย่าไปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราอย่าไปจองเวรจองกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อา น, นิคาหนตุกต้องอย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของสงสว์ทั้งหลายทั้งปวงสุขศีอาตานังบริหารอานตุจะให้ความสุขกับสสารทั้งหลายทั้งปวงเลองทํำดูจะ ไ, ได้มีความเมตตาเวลาเราพบปะเราใครเราจะได้ระวังอย่าไปทําให้เขาต้องเดือดร้อนจากการการทําทของเร า, เาให้แม่สอนก็ได้ในวันนี้ แม่ของยารู้งใช่ไหมดีครับอืมแต่เวลาเขาแปลความหมายว่าอยากจะแฝงแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงประเด็ขอให้สัตว์ทั้งหลายยังไม่มีเวรกันนะเขนอาจจะหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายอย่าไปมีเวรกันแต่เราไปไปไม่ได้พูดถึงเราเลยตวามจริงเราต้องอย่าไปมีเวรมีการกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงใช่อครับนะ อ, อย่าไปมีเวรก่าใครอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปเบียดเบียนแลอย่าไป สร้าความทุกข์กายทุกใจให้กับผู้นั้จงให้แต่ความสุขกับผู้น Claus, ั้นสันตะเคลไหมรู้จักสันตะเคลไหมเช่ญครับใครๆก็ชอบสันตะเคลใช่ไหมชอบครับเราลองทำตัวเป็นสันตะเคลนูดูแล้วจะมีเพื่อนเนี้ดีครับอโอเคแม่มีอะไรบ้าง พระอาจารย์คะ z o o วันพุธนี่พระอาจารย์เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยมันเพิ่มมีโควิดมาสามปีแล้วสามปีแล้วะคะ่ะเพราะว่าโยงเพิ่งมารู้จักเอก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีปลายปีที่แล้วเองนะคะก็เลยสงสัยช่วงนั้นมันไม่บป็นเทศไม่ได้คนมาหาไม่ได้ก็เลยต้องไปหาคนแทนเข้ามาหาเราไม่ได้เราก็เลยต้องไปหาเขาเ ท, ทั้งปรเทศทางซูม คุยทางซูมเนงแล้วก็มีเทนออนไลน์แต่ไม่มีคนฟังก็มีตรงแรกๆทั้งไทยทั้งอังกฤษพร้อมกันใช่มคะพระอาจารอาคารกับพุดนะคะก็ประมาณไล่ๆกันได้ลายกันจำไม่ได้ว่าใครใครก่อนใครหลังแด่อยู่ในช่วงเดียวกันนค่ะเสียดายว่าเพิ่งจะมารู้จักพระอาจารย์เมื่อ ปลายปีที่แล้วเองนะคะพอดีเด้งขึ้นมาที่เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนเพื่อนในในเฟสน่าจะติดตามพระอาจารย์อยู่นะคะแล้วก็ยยมก็ฟังแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตได้ดีอย่างนี้ค่ะก็เลยตามพระอาจารย์มาเรื่อยๆนะคะกาไม่สายกันไปตามติดตามไปเรื่อยๆควจริงถ้าจับหลังได้แล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้รู้วิธีแก้อยากตามอยู่เรื่อยๆค่ะ ไม่ตามได้จะดีกว่าตนแบบนี้พึ่งผู้ตนได้ยิ่งดีกว่าแต่ถ้ายังพึ่ไม่ได้ก็ต้องตามไปเรื่อยๆจักรยานยมต้องใช้สี่ล้ออยู่ค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่กล้าถอดค่ะโอเคยังไม่ยังไม่แข่งยังไม่แข็งพอค่ะอืมีคําถามอะไรไหมฟังมีอีกคําถามหนึงค่ะพระอาจารย์ก็ ก็คือตอนนี้โยมก็จะอย่างที่พระอาจารย์ให้คําแนะนําเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าให้เน้นตัวอุเบขาแล้วก็สัรรพธรรมะอนัตตาอย่างเงี้ยท่องเอาไว้บ่อยๆแล้วก็พิจารณาบ่อยๆโยมก็พยายามคิดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วก็โยมอ่านธรรมะขององค์หลวงตาบัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องอสุภะท่านเขียนเอาไว้ว่าให้น้อมอสุภะ ให้กำหนดอสุภัสตั้งเอาไว้ข้างหน้าแล้วก็กําหนดให้ทําลายไปอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้โยมไม่เข้าใจความหมายว่าท่านหมายถึงอย่างไรนะ่ะเอาะท่านก็หมายถึงว่าให้เห็นใหน้เห็นภาพอสุภัสแล้วก็ทําลายให้มันหายว่ามันจะต้องสลายไปกลายเป็นดินน้าลมไฟเนี้ยจะได้เห็นว่ามันเป็นนักจารย์ด้วนเป็นมันมีศิลป์สงวงามด้วยอืม มันเป็นชท้สิ่คือดินน้ำลมสายถ้าเราไปเยี่มป่าชา้าก็ยังมีซากศพอยู่สิบชนิดถันมันก็ค่อยๆมันก็ค่อยๆหายไปทีละชิ้นทีละนึ่ทีละส่วนแต่นี่สุดก็เหลือแต่ของที่ยังไม่ของที่ยังไม่ผุพังคือโครง ก, กระดูกเศษกระดูกแต่ถ้าทิ้งเวทนานมันก็จะกลายเป็นนน่อยๆปนะมาณน่้นให้เวทนาะให้มันกลับกลืนสู่ธาตุเดิมธาตสิ เวลาคนตายถ้าเราไม่เผาทิ้งไว้เฉยๆสิ่งแรกที่ไปก่อนก็นกคือท่านลมเนี่ยลมไม่เข้าลมก็มีแต่ลมออกคือกลิ่นที่ออกมาก็เป็นธาตุลมตามด้วยน้ำตอนร่างกายมันก็มีทวาวรมันก็มีน้ำไหลออกมาตามถาวรนางๆเวลาไปไปซ่อามีสมในีบางทีก็จะต้องเอาอะไรดูจมูกไว้สําเลีเพราะมันจะมีน้ำไหลออกมาแสดงว่าท่านท่าต น, น้ํนากำลังแยกออกจากร่างกายไปแนละ้ว ทาตุลมไปก่อนแนละ้วตามด้วยธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็หายไปเวลาไปจับศพดูเลยมันจะเย็นกว่ร่างกายของคนเป็นแนละ้วตามมาแล้วน้ำต่างๆมันก็จะมันก็จะแยกออกบางทีมันก็พองหวนพองอ้ำหนองน้ำอยแตกน้ำหนองน้ำอะไรนะต่างๆมันก็จะแยกออกมามันทันทีเสืก็แห้งกรอบหรือแต่ธานุลม ไฟที่ไหวมันก็ต่อไปมันก็กลายเป็นผุพันไปกลายเป็นดินมไปถ้าเอาไปเผายิ่งเร็วใหญ่เอาไปเผามันก็แยกแยกธาตุเร็วไปเผานี้ไฟมันก็เผาธานน้ำให้หายไปหมดถ้าลมธาตุไฟมันกะหายไปแล้วก็เหลือแต่ขี้เถ้าที่เป็นธาตุนิ่มอย่างนี้เห็นว่าร่างกายก็มีแค่นี้นะ หมายถึงว่าน้อมเข้ามาแล้วก็พิจารณาแบบนี้บ่อยๆคือเป็นใช้ใช้เพียงแค่สัญญาอารมณ์มาคิดพิจารณาใช่ไหมคะพระอาจารย์มันลองคิดไปยังให้มันจําได้มันจําได้แล้วต่อไปเวลาเราจะไปยึดไปติดกับร่างกายเราก็นึกถึงภาพแบบนี้อ ห, ห้ามันไม่ได้พอโยมอ่านและโยมกันดูก็ว่าเอ๊ะหรือลวงตาท่านมาถึงว่าต้องได้ฌานก่อนแล้วค่อยมากําหนดอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้คือไม่จําเป็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ คือท่านได้ชานมันจะทําให้เรามันทําให้ใจเราเฉยกับเหตุการณ์ของร่างกายได้ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฌานดูแล้วมันที่จหดหู่บ้างหวาดกลัวบ้างะยังแสดงว่าจิตยังไม่มีกําลังผู้เบีขาพอที่จะรับรู้เฉยๆรับรู้ความจริงยังมีกิเลสมาทําให้สถานการณ์เสื่อมเอื่อเอื่อนลรงเกลียดเรื่องอะไรต่างๆไม่มาได้ น่าจะทําให้ไม่อยากจะพิจารณานะ <Okay. S 1> ไม่อยากจะดูแต่ถ้ามี <Okay. S 1> เวเบค้าแลาวดูนานเท่าไหร่เก็ไม่มรู้สึกอาการอะไรรเฉยๆเดูเพื่อให้จดให้จําเป้าหมายของการให้จดให้จําให้มันฝังอยู่ในใจเราไม่ให้หลืมเวลาที่เราไปเห็นหน้านกายของใครสวยงามหน้านดูเร า, าก็จะเราก็เลยนึกถึงพระสุภาพขึ้นมา มันสวยจริงหรือเปล่ามันสวยแค่ตอนนี้ต่อไปเวลามนล้มหายใจแล้วมันยังจะสวยอยู่หรือเปล่ายังไม่ทันหรบฮะมดล้หายใจนั่นึกถึงอาการหลานที่สองได้มันก็ใต้ผิวหนังมันก็ไม่มีนะไรน่าหน้าชมแค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็คือเวลาพิจารณาจะให้จิตสงบถึงขั้นอุเบกขาอันนี้คือจะดีเวลาที่ พิจารณาใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าจะได้ผลมันต้องมีโอเบคามาสนับสนุนการพิจารณาถ้ายังไม่มีโอเบคาก็ยังตัดไม่ได้ยังตัดการมานมไม่ได้ค่ะก็ชื่นใจค่ะพระอาจารย์ว่ายังทําไปได้เรื่อยๆเพราะว่ายมอ่านยมก็ดีเอ๊จะต้องเป็นปฏิภาคนีม้มิดไหมหรืออะไรแบบเนี้ค่ะพราา <ทำ S 1> อะอาจารย์ทำได้ทำได้แต่มันยังยังเวลาเจอ เกิการาการอารมณ์มนุษย์ขึ้นมาอาจาจะหยุดไปไม่ได้เจ้าค่ะอันเตรีมทําการบ้านไว้ก่อนได้ซอมไว้ก่อนแต่ถ้าจะให้ทําได้จริงๆต้องให้มีอุเบกขาด้ว ย, พ, ยวพรามีอุเบกขาพอเล็กถึงอสุภะการอารมณ์มันก็จะถอยไปทันที แล้วถ้าเกิดว่าอพิจารณาร่างกายแล้วเห็นความทุกข์แล้วมาสะเทือนใจแบบนี้คือมันไม่ใช่อุเบกขาใช่ไหมคะพระอาจารย์ยังอารมณ์มันยังแฝงอยู่ใช่ไหมคะมันก็ยังแฝงอยู่ถ้ามันยังทุกข์เยอะต้องเฉยเฉยแต่เรารู้ว่ามันทุกข์ได้แต่อย่าไปทุกข์กับมันแล้วว่ามร่างกายมันเป็นกองทุกข์เนี่ยรู้ได้แต่อย่าไปมีอาการทุกข์กับมันเพราะยัรู้ว่ามันทุกข์เพราะว่า เพราะเราทุกข์เพราะความอยากเของเราอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆอยากให้ร่างกายสวยงามพอมันไม่สวยงามพอมันไม่อยู่มันทำให้เราทุกข์เสมอเราต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายเมันไม่มันไม่อยู่ไปไนานมันตั้งแก่เจ็บตายมันต้องเปลี่ยนสภาพจากหนุ่มสาวกลายเป็นคนแก่คนเฒ่าไปสุด อยากไปทุกข์กับมันเรามีวิสปัญญาแต่เราอยากให้มันไม่ไม่เปลี่ยนไปละพอมันพอมันไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใจยังยากอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่จะน้องไปิดพิจารณ า, า, าเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ทาสลับสมาธิเน้นสมาธิให้มากของเพราะเวลาเป็นพิจารณามันต้องใช้ความคิด เวลาจะไปนั่งสมาธิมันจะหยุดความคิดได้ๆเห็นไหมถ้าเรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิในควรจะแบบสติอย่างเดิมเนี้ก่อ น, น, อนดีกว่านานๆก็อาจจะพิจารณาทางปัญญามากแต่อย่ามากเกิไปเอาสติเป็นตัวตัวนำก่อนพยายามหยุดความคิดให้รูุเฉยๆไปก่อนจนกว่าเราจะได้อัปัญญาสมาธิสามารถเข้าหาอุเบกขาได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ตอนนั้นเราค่อยไปทางปัญญาได้เต็มเต็มร้อยเลยพิจารณาทั้งวันทั้งคืนก็ได้ตัวเนี้ยโยมอยากได้มากค่ะอาจารย์แต่ก็พยายามปล่อยความอยากค่ะว่าเดี๋ยวถ้ามันได้มันก็ได้ของมันเองนะคะะา อ, มมอาจารย์ฝึกสติให้มากก่อนโอเคนะเข้าใจแล้วนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะโอเค เมื่อกี้เห็นคุณหมอเข้ามาคงจะกลับออกไปแล้ววันนี้ไม่มีคําถามครับอ่าคุณคุณหมอที่อยู่ข้างล่างครับอาจารย์อเชิญคุณหมอเลยเมื่อกี้เห็นเข้ามาก่อนแล้วตอนนี้คงยังดูใจเชิญคุณหมอกลับน้ำมาสการพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่พอดีมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันก็เลยหลุดเลยก็เลยเข้าไปใหม่ขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณบอยครับที่ในโอกาสขอเอความเมตตาพระอาจารย์ไอธิบายเครื่องละ ตัณหาครับอาจารย์เรื่องตัณหาก็คือมากไยมากคือเกิดรักปัญห า, ห า, หาทานสินภาวนานเนี่ยทุกครั้งที่เราทํามุลทำทานเราลา่าความโลภอย่ากได้เงินได้ทองนะนนาสาสนแล้วก็เราล่าสัตว์สินเราก็ล่าความความโกรธที่อยากจะไปอยากจะไปทำร้ายผู้อื่นเวลาเราโกรธหรือว่าเราเวลาเราโดนตรอกเวลาที่เราเดื่อย น, นอนบางทีเราก็ต้อง ไปทํำลายผู้อื่นเพื่อจะได้มันท่าความทุกข์ น, น, นิดเดียวนอนของเราเราก็หยุดความอยากเหล่ า, านี้ได้ด้วยการรักษาศีลอยากจะไปฆ่าก็ฆ่าไม่ได้อยากจะไปขโมยก็ขโมยไม่ได้มันก็ช่วยดับความทุกข์ที่เกิดจากการกราทำบาสนะไหมการกระทําบาสนี้มันจะทําให้ใจเราทุกข์พอทำไปแล้วก็ทุกข์หวาดกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษหรือเปล่าใ้ไม่สบายนะ เวลาภาวนาเราก็หยุดความอยากสมถะภาวนาทำใจให้สงบพอใจหยุดหยุดคิดนิ่ ง, งๆเฉยๆความอยากก็หายไปใจก็อยู่ในคามม่าวสงบเมียวเบิดขามันมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขท้องฟัวแต่มันหยุดแบบชั่วขราวความอยากทีสมาธิหยุดนี้หยุดได้แค่ชั่วขราวพอหยากสมาธิมาเดียวมันก็อยากขึ้นมาใหม่ได้ เพาะฉนั้นถยจะยืนไปอย่างท้าวอนก็ทําใช้ปัญญาสอนตาให้เห็ว่าสิ่งที่เวลาสิ่งใดที่เราอยากนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นสุขชั่วคราวเลาวเดี๋ยวมันอพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์เหมือนใดให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้กวบคุมมันครับไม่ได้ ให้มันสั่งให้มันให้เราให้ทําให้ความสุขของเราเพิ่มอย่างเดียวไม่ได้เวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปได้นี้ก็เป็นการหยุดอย่างหยุดความอยากอย่างเท้เาวอนไม่ปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องผ่านขั้นทานศีลสมาธิแล้วค่อยไปถึงปัญญาต้องไปไปจากขั้นง่ายผ่านขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากขึ้นไปไเรื่อยๆการทานง่ายกว่ารักษาศีลนะ ภาษาสีนี่มันง่ายกว่าการฝึกสมาธิฝึกสมาธิมันมันง่ายกว่าการเจริญปัญญาให้เห็นตายรับเห็นอริยาาสัจสี่นี่แหละคือเครื่องดับทุกข์เครื่องเครื่องหยุดความอยากเพราะว่าความอยากนี่เป็นตัวเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจพอเรามีพอเรามีมั๊มมั๊มเป็นอริยาาสัจข้อที่สี่ ก็จะไปละตันหาข้อที่สองที่สร้างความทุกข์ข้อที่หนึ่งให้เกิดขึ้นพอทุกข์ดับแล้วก็ได้ข้อที่สามคือเนโรความดับของความทุกข์มันอยู่ที่ตัวมรรคตัวเดียวเลยที่เป็นผู้ที่จะทําให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยความอย่ากนี้ดับไปหายไปด้วยการไปหยุดความอยากพระพุทธเจ้าทีเา่เก่งเหนือชั้ช รู้วิธีรู้ต้นเห็นของความทุกข์ว่าเป็นความอยากรู้วิธีที่จะทำให้ความอยากหายไปด้วยการเจริญนักทานสิงภาวนา อ, อ่านี่แหละเคอรอื่องดับความอยากกันแต่คนเร า, <ำ>าคนเราไม่อยากไม่ไม่ยอมเสียเงินเสียทอาหัวเงินหัทองทอยากจะได้เงินได้ท่าเพิ่มมากขึ้นยังทำมุลทาทานได้น้อยมาก หยุดความอยากที่อยากจะมีเงินมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าต่อไปนี้เราพอแล้มีแค่นี้พอกินแล้วนั้นมีมากกว่นี้เราจะไปทํามุญได้หมดนีอันนี้จะหยุดความอยากได้ในระดับเรื่องเงินทองพอมีพอกินพอแล้วพ่านเจ้าบอกให้มั่น้อยสันโดษพอมีปัจจัยสี่พอไม่เดือดร้อนอยู่กับการอยู่กินแล้วก็ ถ้ามีินได้มามากว่า น, นี้ก็ไปทำบุั้งหมดมันจะทําให้เราไม่อยากได้เงินนี่เราไปทํางานทำไมวะถ้าทําามแล้วเอาเงินไปทําบุญทั้งหมดก็ไม่ไม่ทำหน่อยอยู่ที่เฉยอ ย, ย, อยู่เฉยก็มีเวลาจะได้ไปฝึกสมาธินั่งนังเทศน์นั่งทำได้ทำบุญแต่หาเงินหาทองก็ยัไม่มีเวลาเออทาตามที่ทเจ้าสอนะทานศีลภาวนานก็ได้ถ้าเรายาังมีเราอยากใช้เงินอยู่ ยังโลกอยากได้กันอยู่ก็ต้องทำทานเพื่อตัดความโลกอยากได้เงินถ้าเราไม่มีเงินแล้วเช่นไปบวชแล้วเราก็ไม่ต้องทำทานไม่มีเงินจะทำแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาไปเลยรักษาศีลบว่สายี่บเจ็ดข้อหรือถ้าเป็นแม่ชีก็รักษาศีลแปดศีลสิบไปแล้วก็เอาเวลามาภาวนาการันทรสตินั่งสมาธิ มันการจะได้ออเบคาแล้วก็ทีนี้ก็มาเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากให้หมดไปจากใจอันเป็นทางเนี่ยเดียวกันอานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเรือนมักแปดนี่เป็นมกัมกที่มีองค์แปดนี่แหละที่เคิื่อน ล, ละตัรหาหยับความจุมักเจ้ามักนี้ต้องเจริญให้มากพระเจ้าอันนี้เรามีน้อยมาก เราต้องหมั่นเจริญมรรคให้มากจะได้มีกําลังสู้กับความอยากได้อันนี้ยังสู้ความอยากไม่ได้งั้นเราดูพวกที่หยุดสีวันนี่จะเลือกไปทางไหนดีไปเที่ยวดีหรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดดีเราไปเที่ยวแสดงว่าสู้ความอยากไม่ได้แต่ถ้าเลือกไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดเนียแสดงว่าะมีมรรคมีกําลังมากกว่านี ม, มากกว่าความอยากไปเที่ยวนะ เป็นไปใช่ไหมทำอย่างได้ครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอย่างสุด <นะ S 2> ครับโอเคใบที่ท่านต่อไปคนเยอะยศสวัดียศสวดีคุณอยู่ที่ไหนจําไม่ได้ครกรรมัรมส ก, การนะคบอาจารย์ปกติอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าวันนี้มาทํางานที่มอบูที่ชนบุรีเนี่ยหละค่ะค่ะอาจารย์อยู่หอพัก<อ> อาจารย์อ๋อเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์นักวิจัยที่คือมีทั้งสอนทั้งทาวิจัยค่ะอาจารย์พระอาจารย์นักวิจัยนี่ก็ต้องเก่นทั้งน้าบัญญาอ๋อค่ะพอาจารย์ก็เป็นคนที่เคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าเจอเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วพระอาจารย์บอกว่าแสดงว่าปัญญาเก่าเยอะแค่เซอเซค่ะก็กลับมาได้แล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็สรุปแล้วเคลียร์งานไม่ได้ค่ะในปฏิบัติทำไม่ได้ไม่ทันสิ้นปีค่ะพระอาจารย์ หนูเลยกะว่าหนูจรลาเดือนมกราล อ, อยเลยค่ะ<ม>เคลียร์ทุกอย่างเลยค่ะไม่ไม่งั้นไม่ได้ไปสักทีกับพระอาจารย์อเราต้องกําหนดเป้าหมายไว้ต้องสัจจะอธิษฐานถ้าถ <พา S 1> ้าไ <พา S 1> ปาให้ไปตามเหตุการณ์ตามตามอารมณ์น่าแทบจะไม่มีเวลาค่ะพระอาจารย์หนูล่าสุดหนูไปประชุมที่หนึ่งแล้วมีผู้อาจารย์ถามว่าเป็นไงอาจารย์งานเยอะไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หันไปบอกว่าโอ้ ว่างค่ะทุกคนหันมาฟึ้นเลยค่ะพระอาจารย์มันมันผิดปกติวิสัยหนูก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการค่ะแต่เราก็รู้ว่าไม่มีจริงใช่ไหมคะทุกคนก็ขำกันค่ะพระอาจารย์มันไม่มีหรอกค่ะคำว่าว่างมันมีแต่ว่าเราจะไปเราจะเราจะจัดสรรอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เรานั่งขำกันอยู่ว่าทุกคนหันมาพร้อมกันหมดเลยพระอาจารย์เหมือนคิวละครเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ มีมีคำถามพอดีหนูมีน้องที่ทำงานค่ะแล้วน้องเขาก็ดูมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับการทำงานเนื่องจากเนื่องจากเขาอยู่ในทีมที่อ่าจริตการทำงานต่างกันและค่อนข้างท็อกซิกะคะค่ะอาจารย์คืออ่าวิธีการต่างกันทุกอย่างต่างกันหมดแล้วพอผลงานที่ออกมามันก็ไม่ได้ตามที่ตัวน้องเขาเขาอยากได้คะ่ะอาจารย์แล้วเขาก็มีความทุกข์ใจไม่สบายใจกลายเป็นว่าที่บ้านเขามองว่า น้องเขาผิดเพราะว่าไม่เข้าตาหลิวแล้วหลิวตาตามแต่หนูหนูพอจะเข้าใจน้องนะคะแต่หนูไม่รู้จะอธิบายกับน้องไงเพราะว่ามันคือความเป็นตัวเราอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นผิดเราก็ไม่สามารถจะคล้อยตามได้ดังนั้นคำถามคือเราจะอยู่ร่วมงานกับคนที่มีหนูหนูรู้สึกว่ามันคือระดับคุณธรรมไม่เท่ากันนะคะอาจารย์แต่เขามีตาแหน่งที่สูงกว่าเราเราจะอยู่กับคนอย่างเนี้ย ได้ย <G holders> ังไงคะอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรนะถ้าเราต้องการทํางานต้องการรายได้นั้นงานนี้เป็นสิ่งที่เราหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้เราก็ต้องทนะเราก็ต้องปรับตัวเราให้เท่ากับสภาพที่เราอยู่ด้วยเพื่อให้มันลดฟริกช i o ลดการเสียดสีกันให้ให้น้อยที่สุดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเราก็สบายใจเขาสบายใจ แต่เราคิดว่างานแบบนี้เราไปไปกับเขาไม่ได้เราก็ต้องกล้าหารที่จะลาออกไปค่ะถ้าอยู่ก็ต้องคาประมาณต้องต้องปรับให้อยู่กับเขาให้ได้โดยเฉพาะเราเป็นผู้น้อยกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่กว่ามันมันก็มีทางเลือกสองทางอยู่หรือไปถ้าอยู่ก็ต้องปรับถ้ากล้าหารก็ไปทิ้งมันไปเลย ไปวิธีวิจัยของเราคนเดียวเลยอ่าเนได้ไม่ได้หร <c oughs> ือเปล่าอาจารยครับอาจารย์ยากจ้ะถ้ายากก็ต้องรู้ฐานะของเราว่าเรายังอยู่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะสามารถทําไรตามความต้องการของเราได้เราต้องมองความจริงของโลกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่เราเห็นด้วยแล้วมีอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเึื่องราก็ไปบังคับคนอื่ในให้เขเห็นตามเราก็ไม่ได้ใช่ไหมค <c oughs> ่ะ เขาเขาก็ฟังใกล้ๆนี่แหละค่ะอาจารย์เปิดเสียงดังๆใช่เขาคิดดูว่าต้องถามตัวเขาเองก่อนเขาต้องการอะไรต้องการอุดมการหรือต้องการเงินเดือนออกอุดมการเงินเดือนใช่ไหมถ้าต้องการเงินเดือนก็ต้องก็ต้องปรับอุดมการให้เขาขอให้ได้จะได้ไม่มีเราจะได้ทํางานอย่างสบายใจไม่ทุกข์ใจค่ะถ้าเราต้องการรักษาอุดมการของเราเราก็ต้องทีงานนี้ไป เราไปหางานที่เหมองที่ที่ตอบโจทย์อุณโอมการ์ของเราได้ค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์เราต้องการการวิจัยการคิดถึงปัญหาของเราแล้วกล้ามองเห็นทางออกของเราว่ามันจะไปทางไหนค่ะพระอาจารย์ก็น้องเขาก็มองมองกันค่ะมันจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าถ้ายังต้องอยู่ว่าอดทนไป ปรับทัศน์เนตค่ะคือเราไม่ต้องไปเชื่อเขาด้วยเขาแต่เมื่อเขาเป็นผู้นําแล้วก็บป็นทั้งช่างเข้าหลังแล้วก็เดินตามเข้าไปครับค่ะแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ก็ต้องยอมเสียชะละเงินเดือนไปเสียชะละงานแล้วก็ไปหางานใหม่ค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์ค่ะอพอดีสามีหนูเคยไปส่งหนูขึ้นเขาชิโ อ, อ, อนพระอาจารย์เคยเจอค่ะแล้วก็เป็นเป็น รัชการค่ะทีนี้เขาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาต่หนูเริ่มรู้สึกว่าเขามีปัญหาคื อ, อเขาทำงานแล้วโดนอย่างแรกเนี่ยในชีวิตเขามักจะโดน under estimate ค่ะคะอาจารย์ mm hmm. มองมาเราด้อยค่าเขาจะคิดว่าเขาไม่มีความสามารถซึ่งอันเนี้ยเขาไม่เป็นปัญหาเขาเขาเป็นคนให้เวลาพิสูจน์แต่ว่าอีกปัญหาหนึงคือพอทำไปแล้วครัอาจารย์มักจะโดนมองข้าม แม้กระทั่งเป็นผลงานของเขาเองก็จะถูกละเลยไม่คือจะบอกว่าปกติเขาก็ไม่ได้ขวนข่ายที่จะได้รับคํำชื่นชมนะคะอาจารย์แต่หลังๆอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาเขาเริ่มเขาเริ่มไม่รู้ว่าอีโก้หรือเปล่ากับอาจารย์เริ่มเริ่มรู้สึกว่ามีความเรียกร้องเบาๆอยู่ข้างในว่าทําไมไม่เห็นในสิ่งที่ฉันทําอยากกราบขอธรรมะเพื่อคุ้มครองใจเขาค่ะอาจารย์ไม่ให้ไม่ให้เจ็บจากคนที่ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการร้อยค่าเขาอะค่ะคระาจารยเราก็ต้องยอมรับว่าคนเขาจะมองเราอย่างไงเราไปรับทับเขาไม่ได้เขาจะมองเราสูงมองเราต่ำประเมินเราสูงประเมินเราต่ำนี่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ให้เรารู้ตัวของเราเองก็แล้วกันว่าเราสูงหรือเราต่ำถ้าเราต่ำล้วก็พยายามปรับตัวร้อยให้สูงขึ้นถ้าเราสูงแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวล เขาไม่เห็นเราสูงไม่เห็นข้าวเราก็ไม่ไม่เสียหายตรงไห น, นมันก็ไม่ได้ลดค่าของเราลงไปถ้าเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเขาอันนี้คืองที่เราหวังผลตอบแทนจากเขาหวังให้เขาชมเราสังรเสริญเราหรืออาจจะโปรโมทเราให้ได้งานที่ดีขึ้นได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนี้มันก็จะทําให้เราเสียใจได้ อ, อันนี้เป็นเป็นกิเลสของเราเนี่ยเป็นไปนได้ค่ะพระอาจารย์เป็นไปได้ ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าอาจจะหวังให้เขาโปรโมทใช่ค่ะพระอาจารย์จะมีผลต่อ ก, การเจริญนามนะคะใช่เมื่อเมื่อผิดหวังมันก็เลยเศร้าใจเสียใจอ๋อค่ะอ่างนั้นอยู่ในโลกนี้เราอย่าไปหวังอย่าไปอยากอะไรจากใครได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเพราะเราบังคับเขาไม่ได้มะนอาจจะเป็นบางช่วงบางเจาบางจังหวะของชีวิตบางทีไปเจอคนที่ชอบใจกัน ทาไม่ดีเ ข, า, เขาก็เขาก็โปรโมทเราได้ ถ, ถ้าเ้าชอบชเราใชไ่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ผลงานของเราเพลงอย่างเดียวอยู่ที่คนที่เขาโปรโมทเราเขาชอบเรามันไม่ชอบเรามากกว่าอาย์มันใชค่ะอ า, าจารย์จริงค่ะจริงค่ะพอยิ่งโตยิ่งเห็นค่ะอาจารย์ว่าเดี๋ยวเนี้ค่ะอาจาแบบรย์เวลาหนูเห็นใครอยู่ในสื่อเยอะๆอ่ะตอ น, นเด็กๆเราจะกูเขาเก่งจังเลยพอเราโตขึ้นมาค่ะอาจารย์เราเจอคนที่เก่งเก่งแต่ไม่อยู่ในสื่อเยอะมากเลยค่ะคือเหมือนกับ คนดี ค, คนเก่ส่วนใหญาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หลงตัวเองไม่ไม่ได้โลภอยากจะได้อะไรค่ะค่ะก็คือเขาก็จะมุ่งมั่นทํางานของเขาไปเรื่อยๆคือเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเห็นทําไมเขาจะทําไปเรื่อยๆอืคือหนูก็เลยความคิดพอโตขึ้นมันก็จะความคิดมันก็จะเปลี่ยนเองครับอาจารย์ก็เลยมันก็แล้วตอนนั้นหนูเคยกราบค่ะอถากกราบขอพระอาจารย์ตอนที่ลงมาจากเขาแล้วขอขอทำมาจากอาจารย์ว่าทํายังไงดีหนูต้องกลับไปอยู่กับคนที่หนูไม่อยาก คุยคุยเรื่องหนูไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่ามองเขาเป็นรรหนึ่งสภาศห้ามเขาไม่ได้ <S <S เขาจะทำอย่างนั้นช่วยได้มากเลยค่ะพรอาจารย์มันไม่มีคําถามไหมคะว่าทําไมเขาต้องพูดแบบนั้นทําไมเขาต้องทําแบบนั้ น, เเ น, น, น้เขาเป็นอย่างนั้นไี้อ่ก็เป็นอย่างนั้นนะลูกสิษย์ทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราไปอยากให้เขาไปเปลี่ยนเท่านั้นเองเปลี่ยนไปตามความอยากของเราพอไม่เป็นไปตามความอยากเราก็เสียใจทุกใจขึ้นมา ขอพระอาจารย์อวยพรหนูให้ได้ไปปฏิบัติธรรมสิ้นเดือนมาการาด้วยครับอ่าความเมตตาอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะถ้าสิ้นเดือนไปไม่ได้ก็เดือนหน้าก็ยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวจะน้องได้สักวันหนึ่งถ้าเราไม่ถอยหนูขอเดือนหน้าครับอาจารย์ไม่ไหวแล้วค่ะแบบหมดเรียยแล้วอันนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันอยากไมได้กันดีไม่ได้กันดีอย่าไปทุกข์ก็ได้ได้ครับใช่คับ หนูก็จะซ้อมตัวเองไปเรื่อยๆค่ะนั่งนะพุทโธไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ไปไม่ได้ก็ทําที่บ้านก็ได้งองพังๆไปก่อนได้ค่ะพรนะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอพบพระคุณครับแต่อย่ายไปทุกข์กับอะไรทั้งสิน้นอย่ายไปทุกข์กับความอยากของได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปที่โกเบคุณจุ๊บเป็นยังไงจุบอยู่คนเดียวเหรอไหม การน่าสแกนเจ้าค่ะวันนี้ค่ะว<ง>นไปเลยไม่ได้ยินขาดขาดหาะหายขาดขาดหายเหรอคะวันนี้ไม่ไ<ง>ค่ะอยู่คนเดียวไม่เหงาเจ้าค่ะอ่าดีแสดงว่ามีธรรมะเป็นเพื่อนใช่มั้ยเจ้าค่ะโครงการอะไรไม่เป็นเกินวนนี้จะถามอะไรหรือเปล่า วันวันนี้ไม่มีคําถามใดๆเจ้าค่ะเข้ามาฟังถามเจ้าค่ะโอเคปฏิบัติต่อไปก็แล้วกันนะอย่าประมาณะนะขอบพระคุณท้าอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเจ้าจ่าต่อไปจะคุณทิสติมาต่อทิสมากรธรรมอกรธรรมสการ์ศพพระอาจารย์วันนี้หนูอยู่ห้วยใหญ่ค่ะพระอาจารย์ อ, อยู่ใต้เกือบอาทิตย์แล้วค่ะป่วยค่ะพระอาจารย์ป่วยโควิดนะลางานได้นะ ไม่ไม่ได้ป่วยโควิดค่ะเป็นเหมือนติดเชื้อในลําคอมากกว่าค่ะเหมือนจะเป็นวัดค่ะใช่ลาได้ค่ะได้ปฏิบัติมากขึ้นแะบว่าเอาวิกฤเอาวิกฤตมันเป็นโอกาสได้นะเอาวิกฤตทางร่างกายมันเป็นโอกาสให้ได้ทําตทนประโยชน์ทางด้านจิตใจค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไปได้กลับไปฟังธรรมพระอาจารย์ที่น่ากุติค่ะฟังที่บ้านเยฟังที่ที่น่ากุติเลยค่ะพระอาจารย์อาจารย์ไม่ได้เข้ามาเนย เข้าเข้าไปกับอาจารย์อยู่ค่ะอาจารย์น่าจะจำไม่ได้ใส่แม่ชั้นจะจำไม่ได้ใช่ค่ะโอเคแล้วจะกลับเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วค่ะอาจารย์เวลาหมดละค่ะหมดแล้วโอเค้าเจบปุ๋ยเขาหน้าลาหม่ได้ใชค่ะอาจารย์สายอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะอาจาร้า้ค่ะคุณหมอสุทัศนีปฐุมตานีเป็นยังไง เอร่อนดีสงบดีตีเจ้าขาไม่มีปัญหาอะไรเจ้าข า, านพระอาจารย์ดีมากดีใจด้วย <c oughs> เข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็เข้ามารับฟังธรรมเจ้าข า, าสาธุด้วยนะปปปคุณค่ ะ, ะเป็นแม่ลูกอุษาอัมบิศยานราเทวานนมัสการพระอาจารย์วันนี้ไม่แต่งหน้าแล้วเหรอ <c oughs> อาจารย์ถามรูปไม่ถึงแน่เลยมีนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์มีอยู่เลย <c oughs> ค่ะห <c oughs> มือนตาเดี๋ยวนี้เขาต้องไปแต่งศพกันแล้วนะนีต้องแต่งไปให้ใครกันะไมายังค่อยๆถอยแล้ค่ะพระอาจารย์มันไม่ค่อยชินแต่ว่าก็เอ่อก็มีคิ้วกับปากนี่แหละค่ะมันไม่ค่อยมั่นใจเวลาถ้าต้องไปเจอเด็กๆ เด็กมันสนใจเชื่อเราด้วย <laughs> วเราสนใจตัวอะไรมากกว่า น, นั้นเด็กก็ไม่รู้เรื่องเราค่ะมีอะไรไหมใครอยากจะถามอะไรบ้างหรอือเปล่าโยมนะคะนักการขาอาจารย์โยมมีคำถามค่ะอาจารย์พอดีโยมอ่านที่พอาจารย์แชร์ในเฟซบุ๊กนะคะที่บ่าทำพ้นทุกกะค่ะ แล้วยมก็เอาแชร์ให้กับรุ่นน้องทีนี้ยมก็บอกว่ายมไม่มั่นใจยมมาถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งค่ะที่บอกว่าปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะอาจารย์อขั้นตอนต้นก็เป็นภายนอกร่างกายใช่ไหมคะราบยศ เ, เปิดรูปเสียงกิน่นรสแล้วก็ตัดไปก่อนจากนั้นก็มาเป็นตัดร่างกายไปตัดกรรมอารมณ์พอตัดได้ก็ให้ไปตัดอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจข้อนี้<ม>ค่ะที่โยมไม่มั่นใจค่ะ อารมณ์ที่ในใจอารมณ์หลุดเหงิดอ า, ง อ, งอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์อะไรก็เรียกว่าอารมณ์ธรรอารมณ์มันอยู่ในใจบางทีไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับอะไรซึ้งมันเกี่ยวกับอารมณ์กิเลสที่ละเอียดมันสร้างอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมามันไม่พอใจกับอะไรบางอย่างมันก็เลยสร้างอารมณ์หลุดเหงิดบ้างรำคาญบ้างเพราะมันยังมีสัโยนตที่ยังไม่ได้แก้อยู่ห้าตัวนะครับ บางทีมันกังวเหงียดเพราะไม่เข้าฌานไม่ได้เข้ารูปฌปานหรือเข้ารูปฌาน ค, ความอยากความความอยากเข้ารูปประฌานเข้าเข้ารู ป, ประฌานก็เ ป, ปเป็นเป็นตัวที่มาสร้างอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่สบายใจให้กับเราได้ไมเวลาใจมันไม่สงบเราก็อยากจะให้มันสงบนี่นี่คือทาอารมณ์บางทีก็ยังหงุดงญหงยดเพราะคนเขาไม่ให้ความเคารพเราเราเป็นคนแก่แม่ลูกไม่รักเราไม่เคารพเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ย <Okay. S 1> เรื่องมานะเรื่องถือตัวฉันเป็นแม่เขาเป็นลูกเรามันต้องแก่ไปว่าที่ตัวจิตจิตมไม่รู้แม่ไม่รู้พ่อหรมันก็เป็นแค่ตัวลูกลนั่นเองเหมือนกันจิตเขาจิตเราไม่มีสูงไม่มีต่ำหว่าทยัยมุต่ามันเป็นเรื่องของสมมุติของสังคมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นศุเท่านั้นยมจะได้ ไปขยายความข้อนี้ให้น้องซึ่งโยมก็สงสัยเองแล้วก็น้องเขาก็ถามมาโยมว่าโยมต้องมาถามอาจารย์ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเยมันอยู่ในใจนอารมณ์ในใจของเราใช่ไหมคะหุดห<ช>ิด อ, อ, อะไรเงี้ยความอยากก็ใช่ใช่ไหมคะใช่อยากโอเคไม่รู้อยากอะไรก็แต่มันอยากมันไม่สดชื่นไม่เบิกบานเมื่อะไร<ช>อยากให้มันสดชื่นอยากให้มันเบิกบานตลอดเรนต้องพิจารณาว่าอารมณ์สดชื่นเบิกมามันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยมอยากไม่ได้ อางมันเวลามันไม่เกิดมันจะทําทให้เราทุกข์เราต้องสอนใจให้อยู่กับอารมณ์ต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีก็เหมือนกับเวทนาที่มันผ่านมาทั้งร่างกายมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสลับกันไปอารมณ์ในใจมันก็สลับกันไปอย่างบางวันตื่นเช้าขึ้นมาบอกทําไมวันนี้มีความสุขจังเลยบอกอไม่ถูกมันมีความสุขเพราะอะไรอ่าแล้วบางวานันังเกิดขึ้นมาแล้วโกรธเหวี่ยงขึ้นมา ท, าทันทีแล้ว นันแะอารมณ์มันมันก็เกิดจัดที่เลนละเอียดที่ไมันอยู่ใน ใ, นใจเราเนี่ยบางวันทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวเมื่อสดชื่นแบบวันบางวันมีแต่ปัญหาข้างๆอยู่ใน ใ, นใจของตืกขึ้นมาก็เหนื่อยใช่ไหม ต, ตอนนี้โยมโยมมาเจอข้อทดสอบข้อข้อหนึ่งค่ะคือข้อมือของโยมข้างซ้ายอะค่ะอาจารย์มันล็อกมาตั้งเป็นปีแล้วค่ะแต่โยมก็ไม่เคยคิด ท, ที่จะรักษาเขา อยู่กับเขาไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะจนกระ<ม>ทั่งวันหนึ่งมาเจอแพทย์แผนไทยเที่วมาที่ร้านแล้วก็บอกว่ารักษาได้นะลองไปดูเขาก็ยมก็เลยไปค่ะจริงๆไม่เคยคิดที่จะรักษานะคะจะอยู่กับเขาไปแบบนั้นน ะ, ะอยู่ตั้งปีแล้วค่ะก็<ม>พอไปคราวนี้เขาก็นวดค่ะนว ด, นวดมันก็เจ็บใช่ไหมคะยมก็หลักตาแล้วยมก็ภาวนาก็พอเขาก็ส่งต่อไปผ่ากายภาพเขาก็ใช้อันตร์สาวที่ข้อมือแล้วก็คราวนี้มันเป็นทั้งข้อมือซ้ายแล้วข้อมือขวา เขาก็ทำํำยมก็หลักตาภาวนาไปค่ะแล้วก็พอถึงปุ๊บมันช่วงที่ว่าเอาทายร้อนสองถุงอะคะ่ะมาทับมือทั้งสองข้างแล้วเราก็ต้องอยู่นิ่งๆ น, นอนนิ่งๆโดยที่เอามือทั้งสองข้างเนี้ยถูกทายร้อนๆทับยมก็บอกว่าเ อ, อสัญญาณเตือนมันคงมาถึงเราแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าก็ใช้ภาวนาดูไปอะค่ะอาจารย์ซึ่งมันใช้ได้ผลจริงๆค่ะมันเจ็บนะคะแต่เรารู้สึกว่าเรารับกับมันได้อะคะ่ะอาจารย์ยมบอกว่า มันคงจะถึงเวลาที่เราจะต้องไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วอะค่ะอาการดีขึ้นไหมหายไหมเอดีขึ้นค่ะพอไปทําอันต์เซาลมือซ้ายดีขึ้นจากเดิมที่ว่าเกาหลังไม่ถึงนิ่มแตะไหล่ข้างหลังได้แล้วค่ะดีขึ้นค่ะก็ดีก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่ามีหมอเจวดามาโปรดใช่ไหมก็ถือเป็นโชคค่ะคือจริงๆโยมก็ไม่คิดจะรักษาทีเดียวว่าเขามาซื้อดอกไม้แล้วโยมบอกว่าย ม, มให้ ยมไม่ได้ขายยมให้เขาไปอะ่ะยมให้เขาไปตอนนี้ก็ยมก็ถามว่าหนูเป็นอะไรเขาบอกเป็นแพทย์แผนไทยบอกอ๋อแล้วเนี่ยมือป้าเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จับแล้วก็บอกรักษาได้อ่ะคะ่ะจาย์ันก็เลยไปรักษาอยู่รักษาโดยที่เราไม่ทุกกับมันก็ดงหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรใช่คะ่ะตอนนั้นคือที่แรกอยู่มาเป็นปีเลยนะคะจาย์อยู่ที่ว่าไม่ได้รักษาเท้ายมก็ถ้าเจ็บยมก็กินยาถ้าไม่เจ็บยมก็เฉยๆแบบนั้นนะคะ คือไม่ไม่ไปทุกข์กับมันแล้วแหละเพระกลัวว่ามันจะยิ่งแย่ค่ะแต่พอมาเป็นแบบนี้ไปรักษายอยู่สองรอบค่ะ <S <S แต่ตรงสภาพที่เราเห็นคือเราต้องนอนหงายแล้วก็มือสองข้างถูกดินร้อนๆทับไว้สองข้างอะคะ่ะจากแล้วเราก็ยินนะักไอโทรหารนอนดูเขาถามว่าต้าหลับเหรอบอกเปล่าไม่ได้หลับยังยังรู้สึกทุกขั้งตอนเพียงแต่ เราก็เหมือนว่าเรากลับมาภาวนานะค่ะอาจารย์มันใช้ได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ทำใจวางเฉยนะใช่ค่ะ อ, อันนี้ก็ต้องถือว่ายมโชคดีค่ะที่มาเจออาจารย์ยมผุดเหมือนกับว่าเหมือนกับจมน้ำผุดโพผุดโพผุดโพยังไม่เคยได้เห็นธรรมะจริงๆสักทีรอบนี้ก็คิดว่าคงจะได้ไปหวัดละค่ะอาจารย์อ่าค่ะโอเค จองจองที่พักแล้วค่ะอาจารย์จองบนเขาไปแล้วค่ะไปต้นเดือนหน้าค่ะสาจุกรู้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ ะ, ะนวักตการค่ะคุณสาธุชาหนาต่อเลยภารกาจองไว้อย่างไ่าย้ยท่นค่ะฮัลโหลอ่าพูดได้ยินแล้วอ๋อยังต้องอีกนานค่ะอาจารย์เพราะว่าทำผ่าตัดแบข้างหนึง่ง ต้องทำใจยาพัแล้วเหลืออีกข้างหนึ่งน้องพาน่าจะมหนูหนูพากันพากัค่ะเผอิญเอ็นมันขาดทั้งสองข้างค่ะอ๋อค่ะก็รักษาตัวไปก็แล้วกันมาทําที่บ้านไปปบัตทุกบ้าน่ปปฏิบัติอยู่ทุกวันพระอาจาราสิงห์ภาวนาทุกวันค่ะอืการปฏิบัติมันสามารถทําได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรว่าเราปฏิบัติด้วยใจนะค่ะค่ะ สติปัญญาค่ะสาดูหาเร็วๆนะไม่หาเร็ ว, วไม่มีคําถามค่ะมาฟังธรรมค่ะอ่าสาธุอาจารย์พรหมวิไลจ ต, ตมรอะไองไงกูโหอาจารย์หลับแล้วเลักมกมาอ า, าจารย์ค่ะมาแล้วค่ะเต <c oughs> ็มตัวรออยู่ค่ะหลับนักมศกนะอาจารย์ครับอ่าสบายดีนะ สบายดีครับอาจารย์ทําฟันแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็ลังรอให้หมอเขาตรวจเป็นระยะเขาบอกว่าเพราะมันปลูกกระดูกด้วยทำให้ว่ากระดูกมันติดหรือเปล่าเรื่องเบื้องลึกกระดูกเหรออาจารย์กระดูกกระดูกกระดูกมันมันถูกไอแบคทีเรียกินไปเพราะรักษาฟันไม่สะอาดเนี่ยที่มีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันเนี่ยมันจะทําให้เกิดแบคทีเรีย แล้วแบบทีนี้มันก็จะกัดกินกระดูกเข้าไปอปูกระดูกอันนี้กระดูกเ<อ>ทมเข้าไป อ, อก็ยังไม่ได้ใส่รากใช่ไหมคะยังลากใส่แล้วใส่กระดูก<อ>ด้วยเป็นแต่ยัง ไ, ไม่ได้ใส่ครอบอยังไม่ได้ใส่ฟันต้องรอให้กระดูกมันโอเคก่อนให้มันมั่นคงแข็งแรงก่อนแล<า>ค่อยว่าใส่ฟันเป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งเขาอีกสี่ห้าเดือนเ็าบอกถึงจะใส่ใสฟันได้แต่ช่วงนี้เขาบอกให้ไปดูดูดูกระดูกที่ปลูกไว้ประมาณเดือนละครั้งก่อนว่ามันมีพัฒนาการอย่างไรบ้างตาการเจ็บปวดอะไ้ไม่มีแล้วไม่ม็บมันเจ็บแค่วันแรกก้าชั่วโมงตอนที่กลับมาจากหลังจากที่ยาหายชานล้วมันก็โปดตุดๆเลยตีสองปั๊บมันหายไป เ, ยเลยเฉยเลยเราไม่ได้ทาอะไรมัน ปลยให้มันปวดไปไม่ได้ไปกินยงกินยาอะไรยงแจะกินยาปฏิชีวนะทังอาจจะเป็นยีสต์ของวัตยาปฏิชีวนะที่ทําให้มันหยุดหลังจากนั้นมันก็ไมคไคอ่อนเพลียไปสี่ห้าวันช่วงนั้นก็รับประทานอาหารไม่ค่อยลงเท่าไหรแต่ตอนนี้กลับมาเป็นปกติทุกอย่างแต่ก็ยังเทอดูนี่คะเทอดได้ก็ใจมันสู้อ่ะร่างากายก็เรื่องของร่างกายไป เพราะวันนี้เราคงไมออกนะเด็กเวลาทำหน้าที่ก็ทําไม่มีใครรู้บางทีว่าเราไม่สบายเพราะเราไม่บอกใครไม่รู้อ่ะค่ะพูดว่าสดชื่นอยู่นะคะอืตอนเทก็ยังสดชื่นอยู่ธรรมะมันมีพลังเลยธรรมะมีพลังมันมันไม่มันไม่มันไม่มีอุปสรรคกําล่างกายน้างกายเป็นอุปสรรคไม่ได้ถ้ามีธรรมะมันพุ่งไปพลังจิตค่ะ อันนี้อันนี้ได้ผนพบว่าเป็นจริงอะค่ะพราะทําทให้เราอยู่เป็นอย่างค่อนข้างสบายนะคะไม่เดือดร้อนมากไม่เดือดร้อนคนที่ไม่มีธรรมะเนี้อะไรนิดนนหน่อยกโอ้โหวโวยวายไปหมดใช่ไหมอื่นเต้นตกใจวาดตัวคนมีธรรมะก็เฉยเฉยนอาทิตย์หน้าลุกข้างานลับตาไป อ, อะไรยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ถึงค่ ะ, ะถึงเราเดียวรู้เองไม่ไม่ต้องเฝ้า เข้ารอก็อใช้ชีวิตกปกติกันไปปล่อยให้มันมาหาเราะก็ทำให้สุขใจสุขกายอยู่อย่างสุกป้กันค่ะอะไรจะเกิดก็สุขไปไม่ไม่เดือนร้อนสุกร้อสุกง้อไม่ตลอดใช่ค่ะค่ะเราถือว่าเป็นโชคค่ะโชคลาภที่ได้ได้เจ อ, อพจานนะาโรขยาปรมาราภามาไม่มีโรคเป็นลาวเป็นระเสริฐ ก็หนีไม่ค่อยฝ้น <laughs> ก็พยายามดูด้วยด้วยไวัยนะครับมันก็มาแต่เรื่อเรนะือ่อแหละแต่นมน้อยก็แลังกันจะ่าไปมามากเหมือนคนอื่นนะคนบางคนมีโรคสี่ห้าโรคพร้อมๆกันเลยคนข้างๆนี <laughs> <laughs> ่ดูวัฒนาการสมยัยใหม่ไปหามหมอคนก็เลยหมออีกคนน่ะ <laughs> อหมอคนได้โรคมีกสี่โรคเลยเงี่ยตมาติดติดก็ดีเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าใจสบายก็ไม่ค่อยเหยนก็รักษาได้ก็รักษาไปโอเคนะมีอะไรไหมค่ะขอบคุณค่ะสาธุก็นับพันดีที่จิตแล้ววะสอโอเค อไปที่คุณสันนี่แบงค์คอร์ดคุณซันนี่มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามมาร่วมฟังทรร ค, ค่ะอาจารย์อ่อางนั้นไปที่อุดรนไปกับคุณแนนแนนดอนตกลงมาักการ์ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ ะ, อ, ะอย่งั้นไปที่คุณหมอภาคสนามกทมอ่ากลงมาสักการ์ค่ะพระอาจารย์ ก็เพิ่งกลับมาจากเลยค่ะเอาคุณพ่อไปทำโบนค่ะก็เห็นเห็นนั่นเห็นเห็นเอออันนี้จังเลยค่ะพระอาจารย์ก็ตอนแรกไม่เจอไม่เจอพื้นเลยแล้วก็วัดก็ก็มีเทซิเมนนะคะพระอจตรงตรงป่าที่เคยเดินเดินเดินหนึ่งเนี่ยที่แบบสงบมากเลยก็เทซิเมนแต่ก็ไม่ได้ทุกใจอะไรก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตอนมาก็ก็เดินใหม่ก็หาที่เพราะที่เดินมันเยอะไงค่ะพระอาจารย์ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็พระอาจารย์ก็เมตตาได้เทศนะคะ มีมานะท่าน้เรื่องโลกเรื่องธรรมอะไรพวกนี้ยค่ะก็จะได้กําลังใจกลับมาอีกเพราะก็ทําบุญแล้วก็ไปสองไปกลับเพราะว่าแบบคือพาคุณพ่อไปเนี่ยก็ได้เลยรู้ว่าเออได้ค่อนทางใหม่ที่แบบไปรู้สึกก็ใกล้มากเลยนะพระอาจารย์เดยวคราวนี้ไปรู้สึกเฮ้ i, วยทำไมวัดดูใกล้มากเลย <laughs> พระอาจารย์คะมีคําำมีคําถาม น, นิดนึงค่ะเพราะว่าฟังหลวงปู่ชาเมื่อเช้าแล้วท่านพูดท่านพูดถึงนะคะว่าเ อ, อเวทนาเนี่ย คือถ้าเราเฉยๆเวทนาเนี่ยถ้ามันมีท่านพูดถึงเลิกจะมีอามิตก็คือหมายถึงว่ามีเครื่องร้องอย่างเช่นพวกรับยศสรรเสริญลกธรรมใช่ไหมคะให้เฉยๆอันนี้คือเวทนาเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอามิตก็คือว่าเป็นที่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คืออารมณ์ใช่ไหมคะคือมันจะเฉยๆหมายถึงว่าอารมณ์จะเป็นอารมณ์ก็จะเฉยๆคือจะมันจะรู้อะว่ามันมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะไม่มีอารมณ์อันนี้ก็คือไม่มีอามิตใช่ไหมคะคือ ฟังพรอาจารชาเ ม, มื่อเช้าไหมอันนี้เราก็ไม่ไม่คัดสร้างความหมายของคาว่าไม่ชมท่านหมายถึงอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจก็ก็คือเอาเอาแค่ว่าให้มันเส็จ<ะ>ๆได้ก็เฉเชิๆกับทุกอย่างแล้วกันกาตุวิสรนตแสงมันก็เป็นของภายนอกธาตุวิสันตแ ส, บ, สนะบางทีก็มีขึ้นบางทีก็มีลงอ น, นิยจารเหมือนกันอนัตตาเหมือนกันถ้าประหยัดก็จะทุกข์ถ้าปยาปัดให้มัน ถ้ามันไม่อยากก็ไม่ทุกข์ก็ให้อย่าไปยากเพรมันมันมาแบบนั้นก็รับรู้ไว้เฉยๆไปอาจารย์เขาจะบอกว่าพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็นั่งก็นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราคือดูลมที่เราดูลมไปแล้วระหว่างวันแล้วก็มีสติอยู่กับกายหรือว่าอยู่กับธรรมก็คือเราทําหน้าที่ของเราไปให้มีสติ <ừ. S 2> ได้ได้ตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือ <ừ. S 2> เราก็ดูอย่างเราไปอย่างนี้แล้วไม่ให้มีความทุกข์เลยให้ให้มันรู้อย่างเดียวเฉยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเบื้องต้นเราต้องการที่จะเป็นสติ พี่จะสอนจะให้รู้เฉยๆให้ new b e บ a v i o r หลงจากนั้นเราเราก็เปิดดูสิ่งต่างๆที่มา ส, สัมพันธ์กับใจเราว่าเป็นตายรักทั้งหมดรับนุนสรักเสนอารมณ์ต่างๆอันนั้นเป็นขั้นปัญญานะถ้าเราไปแบบนั้นนะแต่ในขณะที่เรานอนเรจเริญสติเราไม่เป็ไม่เสนใจว่ามันจะเป็นยังไงเพียงแต่อย่าให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราอยู่กับอารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปดูลมหรือพุโทโธถ้าเราดูดูใจหอมเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่าอันนี้สติของพระจังก็คือดูลมหรือพุโทโธใช่ไหมคะแต่ถ้าปัญญา ก, ก็คือดูที่ใจค่ะดูทุกทุกอย่างที่มาสัมผัสกับใจเนาะทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าเป็นของภายในหรือเป็นของภายนามัน <ไ S 1> เป็นท้ายลักทั้งหมดเข้าใจแล้ว ปฏิบัติสม่ำเสมอเลครับว่าจังที่แบบเวลาจังสติให้ลูกอยู่อย่างเดียวรู้อยู่เรื่องเดียวลูกกับลมลูกอยู่กับพิโคอย่างเดียวไม่ให้ไปรู้เรื่องนะไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นขั้นปัญญาขั้นสตินี้ให้ใจเพ่งให้นิ่งอยู่กับเรื่องเดียวให้รักษาอุเบกขาใหญ่ตลอดให้สร้างให้มีอุเบกขาให้นิ่งเฉยพอนิ่งเฉยแล้วต่อไปก็ไปดูทุกอย่างที่มันเข้ามากับเท้าปจัยแล้วใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉย อืมาคนละเรื่องกันปัญญาสติกับปัญญาคนละเรื่องกัน <G l id noise> คนคนปฏิบัติแล้วสับสนท่านนี้จะดูนองเอาไปดูทุกอย่างใจมันก็เลยไม่ค่อยนิ่งแกว่งเลยแกว่งไปแกว่งมาเพราะมันไม่มีโอเบกคาคนนั้นต้องสร้างสติให้มีโอเบกคาให้มันนิ่งไม่ให้แกว่งเพราะไม่แกว่งแล้วที้ดูอะไรให้มันไม่ให้มันแกว่ง้ดูเฉยๆมันก็จะไม่ทุ้ เข้าใจารย์นะพระอาจค่ะพระอาจารย์ทำตัวตลอดเลยคนะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณผู้อาจารย์อยู่ช่วงไหนของของเท็กซัสระหว่างฟอสฟู้ดกับดานาสได้อย่กลางหรือยู่ทางดาคุณผูาวุโสกับนัการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ทางเหนือเจ้าค่ะเหนือออกเอ่อไปทางเดนทันอ่ะเจ้าค่ะอยู่ใต้เดนทันเจ้าค่ะ เจ้าค mm. uh ่ะ huh. ก uh ็ก huh. yeah. yeah. okay. mm. ็ถ้านับก็คือประมาณฝั่งตะวันตกออกไปเฉเหนือนิดหน่อยเจ้าค่ะตอเด่นแทนอยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัย UNT อ่ะเจ้าค่ะอยู่ใกล้ๆอาลลนตันนี่ใช่ไหมอาลลนตันไกลนิดนึงเจ้าค่ะค่อนข้างจะไกลกว่าเจ้าค่ะไกล่ะไกลจากอาลลนตัน UNT นี่ University of North Texas North uh Texas เจ้าค่ะ UNT เจ้าค่ะอยู่ ประมาณสามสิบนาทีถึงเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากวัดเอ่อวัดเคลเลอร์เจ้าค่ะอประมาณยี่สิบนาทีก็น่าจะถึงประมาณวัดเคลเลอร์เจ้าค่ะแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ค่อยได้ไปสนามบินก็สนามบินถ้ารถไม่ติดก็ประมาณสามสิบนาทีเจ้าค่ะเหนือใช่ไหมอยู่ตนี้เป็นไปนะ้ค่ะแล้วก็แล้วก็ก็ถ้าฟอร์เวิร์ดก็ประมาณน่าจะประมาณ สี่สิบนาทีนั่นเจ้าค่ะประมาณนั้น<ม>อยู่กัางเจ้าค่ะ<ม>ลูกมีบททดสอบมาเจ้าค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเสนองานมาให้อยากให้ลูกไปทํางานประจำ ม, ม, มีเกล็ดมาเล่ามันจะมีเยือมาเลนะพราะเราพระเราออกเพราะเราออกมาอย่างเงี้ยปะปิกวิเวกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีแต่คนเสนออะไรมาให้ตลอดเลย<ม>แต่ตอนที่ไม่สิกวิเวกนี่โอ้โหเราเป็นคนไปหามันม เออคะ่ะลูกก็ลูกก็พออ่านอ่านข้อความปุ๊บใจก็มีแกว้งนิดนึงแล้วก็สามีถามว่ามีอะไรก็เลยเล่าเขาฟังเขาก็สามีบอกว่าอยา่าอย่าลงนะอย่าลงอืมพอนะเงินท่าพอนะพอกินพอใช้แนละ้วสามีบอกอย่าลงนะอย่าลืมเป้าหมายนะที่ตั้งไว้อะไรเงี้ยสามีก็ช่วยเตือนเจ้าค่ะลูกก็บอกอเลยว่าไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมแล้วคือเตรียมไว้แล้วว่า ไม่มีก็ไม่มีถ้าถึงวันหนึ่งก็เราพร้อมที่ขอไปอยู่วันแล้วกันแล้วค่ะก็มาล่อให้ไปทํางานประจําเลยเขาข อ, อขอไปได้ไหมอะไรเงี้ยเขาไปถึงเขาเขาเขาขอ้ขอความมาว่าช่วยสมัครได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะค่ะลูกก็แน่วแน่แล้วค่ะนี่แล้วนะเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมันมีคุณค่ากว่า เ, าเวลาไปทํางานอย่างอืง่นเพื่อเงินทองเล ก, เลกน้อยๆ เจ้าค่ะคีดว่าไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมแล้วเจ้าคะ่ะอยู่อย่างนี้รู้สึกรู้สึกว่ามันรู้สึกมีเป้าหมายชีวิตอีกแบบหนึง่งที่ที่อยากจะพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าชาตินี้ไม่ได้ก็ขอให้เป็นนิสัยที่ปลูกฝังไปถึงชาติหน้าเจ้าคะ่ะว่าถ้าเกิดมาชาติหน้าก็ก็ขออยู่อย่างแบบ <ทำ S 1> แบบเนี้ยเจ้าคะ่ะทำต่อไปแล้วเจ้าคะ่ะเป็น<ช>เป็นรากฐานต่อไปเจ้าคะ่ะ<ม>ก็คือถ้าชาติหน้าก็ขอให้แค่ แค่ได้ทําต่อไปจนถึงที่สุดเจ้าค่ะไม่อยากจะหวังหวังยอตใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเด้๋วค่ะเนี่ยคือความตั้งใจที่สุดนะเจ้าค่ะก็เอาคิดว่าผ่านบททดสอบว่าถ้าใครเสนออะไรมาก็จะตั้งไม่แน่นอนนะนะเดี๋ยค่ะจะดูไปเรื่อยเรืามีอะไรมาก็สอบใจใจจะหวันไวไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ถึงแม่รู้สึกว่าตัวเองยังแบบว่ายัางยั ง, ยงช้าเจ้าค่ะคือไม่ไม่คือคือไม่ค่อยจะเร็วหรือหรือหรือเดินเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ความตั้งมั่นเอาเจ้าค่ะตั้งตั้งในใจว่าจะพยายามล้าเจ้าค่ะล้าสิ่งรอ บ, บตัวไปเรื่อยๆอยเจ้าค่ะอืะดีเจ้าค่ะมีอะไรไห ม, มไม่มีเจ้าค่ะ พระอาจารย์ไปกำลังใจเจ้าค่ะพี่อาจารย์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์นั่นแหะทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวนี่มันก็หมดไปเจ้าค่ะตามที่พระอาจารย์สอนเสมอเจ้าค่ะพยายามคิดว่าเกิดมาเป็นทุกข์เจ้าค่ะเกิดมาเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์ทางเดียวไม่เป็นทุกข์คือไม่เกิดเจ้าค่ะจะพยายามนะสาธุจ้ะขอบคุณเจ้าค่ะ ไปคนซสต์อ่ะเน็ตเซสตแล้วก็ไปคันเต์อันอนี้ไม่อได้อยู่คนเซสตไรกลับไปอยู่ไม่กลับมาละอยู่ที่ฝรั่งเศสค้าอาจารย์อยู่ฝรั่งเศสอยอ่่ะอาเดวิด uh, กลับมาด้วยอหร่ค่ะอาจารย์คือเขาเป็นคนนี้นี่บองจูหรือบองบองจูบองจูค่ะอาจารย์ สบายดีเลยสบายดีเลยสบายครับอืมเป็นไงวันนี้ไม่ต้องทํางานนะช่วงนี้ไม่ต้องทํางานใชหมร้อนครับอืมฉลองคริสต์มาสนิวเอร์ถูกต้องครับอืมเราจะต้องกลับไปอเมริกาต่อหรือเปล่าแล้วไม่ไปนะไปเลยไปกันกลับไปอย่า ง, งกลับไปครับต้องไปทำงานครับทำงานต่อเนะโอเคตอนนี้มีกามสูงมากมากนะคริสต์มาสม ครับเป็นอย่ี้ค่ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เป็นร <Yeah. S 2> ่มพธิให้กับ ท, กทุกท่านค่ะแล้วก <Okay. S 2> ็ค่ะะอีกตสท่สว่าขอบ<อ><อ>พระคุณมากาอาจารย์เคทสีบายบายอน thank you โอเคคุณการชิดไต้วัน งานโคงการชีนก็จะมีสองข่ายว่างั้นไต้หวันได้ขายเขาเตรียมตัวกันนล้วเนี่ยมันจะอยู่อยครับแลนะ้วมาสการณ์กันไปหนาวก็เตรียมเตรียมนะครับเตรียมเตรียมเตรียมพยุ่มเลยครับเตรียมกลับบ้านแล้วเราก็พอได้ใช้แล้วก็ถ้ามงถึงมันเวลาก็กลับไครับ อย่าไปติดในสงครามเลยนะไม่ใช่เรื่องขางเราครับมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามาเพร่อมฟังธรรมแล้วก็มากราบพระอาจารย์ครับโอเคให้สชขให้เจริญนะว่าชาวกาญปปัยสาธุครับไปที่มุตากาันคุณมาเลย เจ้าหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติค่ะขายขายเบียร์ค่ะหลวงพ่ออืดก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อถามถามเกี่ยวกับพระอนาคามีที่หนูได้ยินหลวงปู่หลวงตาสอนเนีก็คือว่าไม่ไม่มาเกิดแล้วใช่ไหคะหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็จะไปอยู่บน คนสวรรค์สุดท่าว่าห้าชั้นอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วทําไมมีคนเอามาสอนมาพูดว่ากลับมาเกิดได้อะไรอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อโมเมทั้งหลายเพ <c oughs> ื่อมาหลอกคนคนหลอกคนที่ไม่รู้ได้นะ่หลอกคนรู้ไม่ได้หรอกไอ้คนโยน <c oughs> มันไม่รู้กันมันก็เลยบ้ากันไปตื่นเต้นไปแ ล, แล้วหนูเห็นหนูเห็น คนไม่ใช่น้อยด้วยค่ะหลวงพ่อเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะบอกว่ามาวิปัสนาแล้วก็จะแล้วก็ก็ถามความขึ้นหน้าวะวิปัสแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าดีมากเขาเห็นโน่นเห็นนี่อ่ะหนูก็คิดว่ามันมันน่าจะผิดทางแล้วเงี้ยค่ะหลวงพ่อรู้ว่ามันมันไม่ไม่น่าจะใช่แต่หนูก็แค่รับทราบเฉยๆเพียงแต่ว่าเออมันยังมีคนที่เขหลงแบบไปในทาง อีกทางหนึ่งอย่างเยเยอะเยอะเหมือนกันค่ะเยอะเยอะมากคนที่จะมาถูกทางนี่ท่านจะมีนับได้เลยเหมือนกับเขาวัว mm hmm. เขาวัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีเขาเกี่ไันนะมีแค่เขาสั้นๆเล็กๆหรืออ่าแล้ว<อ>ข น, นแล้วขนวัวมีเท่าไหร่มันทั่วตัวค่ะนั่น<ด><ๆ>แหละคนที่ไม่รู้ก็เหมือนพวกขนวัวเนี่ยนะคนที่รู้จริงๆก็มีแค่เขาวัวเนี่ยตัวหนึ่งมีแค่สอง งั้นยังเป็นตื่นเต้นตกใจกับค น, นต่างๆที่เข้าไปปฏิบัติยิง่งโม้มากยิ่งแสดงก็ไม่รู้เรื่องคนที่เห็นรู้จริงเห็นจริงไม่อยากจะพูดกับใครง่ยายๆพอพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจาปล่อยเขาพูดไปศึกษาทุ่มไปเอาดีเห็นอะไรก็เห็นไปถึงนิพพานได้กับถึงไปเอเขาถ้าเกิดเขามาถามหนูเขาบอกเป็นยังไงปฏิบัติแล้วเห็นอะไรมั่งไหมเห็น หนูก็เฉยเฉยหนูก็ไ่ก็บอกเห<อ>็นกิเลสไงเห็ น, นกิเลสปฏิบัติเพื่อให้เห็นกิเลสมันจะได้หยุดกิเลสได้แล้วเขาก็มีคนถามอีกบอกว่าปฏิบัติธรรมมาก็ไม่ได้ว่าได้เงินได้ทองอะไรเนี้ยหนูก็บอกว่าหนูก็ได้ความสุขใจไงแต่หนูก็ไม่ได้ไปย้อนเขาว่าอ้าวแล้วถ้าตายไปเอาไปได้ไหมเงินทองหนูก็เลยไม่ mm hmm. ไม่พูดก็เลยปล่อยปล่อยไปอะค่ะหลวงพ mm ่ hmm. ไม่ไม่พูด ถ้าปฏิบัติธรรมว่าอเงินทองก็ก็หลงทางแล้วปฏิบัติธรรมเพื่ อ, เ, อ, เ, อ, เ, พอเพื่อตัดความโลภในเงินทองความอยากในเงินทองแล้วช่วงเนี้ยหนูหนูจะเห็นหลวงปู่หลวงตาพากันละสังข า, ารไหวลูกอะค่ะหลวงปู่ไดโนเสาร์หลวงพ่อหลวงหลวงปู่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อสุธรรมที่ท่านรูบแล้วกระดูกที่โคงหัก สามซี่กันค่ะหลวงพ่อเราเราไปรักษาที่โรงพยาบาลซิลิลาดอันเนี้ยพอเห็นแบบเนี้ยมันมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจย้อนกลับมาถึงตัวเราว่าครูบาอาจารย์ก็จะพาการล่วงไปหมดแล้วแล้วเรามัวทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะทําให้เราตื่นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะว่าเราต้องต้องรีบต้องรีบในการที่จะขอบคย่่งเเเเีีี้ะนนนดดป็ ทเรารู้ว่าชีวิตของเรานี่มันไม่แน่นอนมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแ ล, แล้วยิ่งตอนป่วยตอนป่วยก็ยิ่งยิ่งต้องควรเล่นเล่นปฏิบัติถ้าเรายังพอไวอ้อย่างเงี้ยค่ะหนูคิดอย่างเงี้ยค่ะหนูพอ่อก็พยายามทำทำอยู่ก็พจ <ะ S 2> เจ้า ใ, ให้คิดถึงความตายความเจ็บไข้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างที่เด็กตอนโเด็มที่ เข้ามาทําให้เราฟังมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาใช่ใช่ค่ะหลวพก็เลยต้องเหมือนเหมือนมีเครื่องเตือนใจเตือนสติว่าเราต้องรีบนะมันเวลามันจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็ได้เห็นได้เห็นว่ามันเออมันมันมันจะหมดแล้วเวลามันจะหมดแล้วแล้วตัวเราโม่ทําอะไรอยู่อเงี้ยค่ะหลวงก็มันก็เลยฝ่ายใจไปในทางที่ เราจะเร่งปฏิบัติเนยนะคะหลวงพอ่อมันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทําอะไรอยู่เหือนพระเจ้าสอนให้ถามตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วงที่หนูไม่สบายหนูให้ที่บ้านเขาไปดูวัดนะคะหลวงพอ่อวัดที่พัดแนวปฏิบัติะก็เจอเจอแล้วสองที่ที่นครนายกอะคะ่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ยหนูจะไปดูอะคะ่ะเพราะว่าท่านจะเน้นปฏิบัติอย่างเดียวค่ะหลวงพอ่อแล้ว แต่เขาบอกว่ามันที่มันน่ากลัวแต่หนูจะไปดูอะค่ะหลวงพ่ออไปดูได้ไปไปดูไปไปไปเรียนรู้แต่ก็ต้องระวังว่ามันไปถูกทางหรือเปล่านะเพราะสมัยนี้มันหลงกันเยอะนะแต่ก็แต่ถ้าเป็นสายของครูบาอาจารย์นี่ก็พอที่จะเชื่อเชื่อถือได้ใช้หลวงูชาใช้หลวงปู่มา่นนี่ก็ยังพอที่จะไม่หลงมากเกินไป เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลงไปดูวันเสาร์ค่ะหลวงพ่ออืมีคิวจนถึงสิ้นตีแล้วก็ต้นต้นมกราก็จะไปไปไปวัดเหมือนกันค่ะหลวงพ่อเดินสายเลยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลวงพ่อวันนี้รายงานประจำวันเลยค่ะการปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆนะแม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะ คุณแปมเลยคุณแปมคุณแปมค่ะคุณแปนชื่ออะไรจ๊ะแปมแปมเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนพัทยาเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้มีคำถามอยู่จะเหมือนกันเจ้าค่ะในในบางครั้งที่ลูก อพุดโธพุดโธบางทีเหมือนเหมือนพุดโธไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกท่องเป็นอีทีพิโศได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ได้อีทีพิโศก็ได้พุทธังสารนัมกชามิกระได้อะไรก็ได้ที่เนี้ยทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ่ลูก ดูกายคตาสติแล้วรู้สึกเศ่าสลดอันนี้ปกติหรือว่ายังไงเจ้าคะยังยังไม่เข้มแข็งพอก็อย่าเพิ่งไปดูเนื้อมันต้องดูแล้วเฉยๆไม่รู้สึกสะเตือนใจสะเตือนใ จ, สนใจสแสดงว่าใจเรายังอ่อนไหวอยู่ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งไปดูก็ได้ถ้าดูแล้วทาให้ทาให้สบายใจแเราตวองฝึกใจให้เข้มแข็งวันนี้ก่อนฝึกสติให้มากวันนี้ก่อน แต่ก็ดูได้บ้างดูแวบๆสองแว บ, บเพื่อให้เพื่อให้รู้ว่าร่างกายเป็นยังไงถ้าพอรู้สึกไม่ค่อยดีก็หยุดมันแล้วก็กลับมาพูดโทพุโธห่อยเน้อส่วนอิติปิโสไปลูกลูกดูภาพได้จำได้ว่าอาการสามสิบสองน่าได้ครบเจ้าค่ะก็ดีถ้าจำได้แล้วก็โอเคตอนนี้ไม่ต้องไปดูมากก็ไดดูให้เราจำได้ เมื่อเวลาเราเกิดการมาลงขึ้นมาเราจะได้ใช้ภาพเหล่านี้มาดับการมาลงได้ตอนนี้พย<อ>ายามฝึกสติให้มากๆากฝึกสติทํำใจให้นิ่งๆยหยายคิดยุดความคิดไว้แล้วต่อไปใจมันจะมีกําลังมากต่อไปมันจะดูสุภาพแล้วมันจะนิ่งเฉยเฉยเห็นคนตายก็เฉยเฉยเห็นสรางศพก็เฉยเฉยลูกอยู่ปฏิบัติทำ บางวันถ้าที่บ้านไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ลูกก็ได้ตั้งอกตั้งใจได้เต็มที่เจ้าค่ะบางวันก็มีเหตุหลายอย่างบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ไม่ได้ไม่สงบเจ้าค่ะมันก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติของของคนที่อยู่บ้านมันก็ต้องมีเรื่องราวเยอะหน่อยถ้าอยากจะหาเวลาถ้าอยากจะเจอที่ไม่ค่อยมีเรื่องก็ต้องหาเวลาไปอยู่วัดที่มีเป็นที่ปฏิบัติธรรม ลูกจากไปบ่อยๆอยู่เจ้าค่ ะ, ะแต่แต่ก็ยังติดยูทหลายอย่างกําลังซับด้วยด้วยเจ้าค่ะความจริงก็ไม่ได้ใช้เ ง, งินมากทางวัดเขาก็ไม่ได้หวังเข้าไม่ได้อกจ่ายท่านั้นเท่านี้อยู่ที่มาเรามีศรัทธาทําได้เท่าไหร่เราก็ทําไปเจคนะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยว่ากันไป เอาเท่านี้ก่อนนะมีอะไรไหมมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคสาธุขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณโอโ้ทำไมมืดล่ะกันไม่อยากจะให้ใครเ็าเห็นหน้าเรากล่าววาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ที่บ้านเขาหอนกันแล้วเจ้าปราอาจารย์อาจารย์สวายดีนะเจ้าค่ะย่าสวัสดีจ้าวันนี้กลัไนนบไปบูกเกตไหมจ๊ะกลับไปบูกเกตใช่ไ ยังอยู่หน้าอยู่เจ้าค่ะอาจารย์อหน้าหนาวใช่ไหมใชเจ้าค่ะตอนเช้าประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาเจ้าค่ะอาจารย์ออืที่ชนปรีหนาวไหมเจ้าค่ะอาจารย์นั่เนี่ยใส่ใส่ผ้าชิ้นเดียวอยู่เนี่เลยยังไม่หนาววันเช้าหนาวมากเจ้าค่ะอาจารย์เดินอย่แบบสั่นนะคะมีอะไรไหม ทื น, นี้เข้ามาชาติจแบกเจ้าค่ะอาจารย์โอเคชาได้เต็มเลยนะแต่เพรอะ่คคาคโอเควันที่นสะนิสาเเเชิญกราวนามสกันค่าอาจารย์ก็ไม่มีคาถามนะครบอาจารย์ยกกังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เย่งนะสามวันทีเสียที่น่าไม่มีคำถามเลย ก็มีค er ําตอบมาเยอะแล้วค okay, okay. ่ะได้ค right. ําตอบมาเยอะแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ต้องต้องปฏิบัติแล้วค่ะพรอาจารย์ขอให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะค่ะพรอาจารย์ออมีนิดนึงค่ะพรอาจารย์ก็เกี่ยวกับการปฏิบัติของลูกอะค่ะคือตอนเช้าลูกจะปฏิบัติก็คือนั่งสมาธิสองชั่วโมงอะค่ะพรอาจารย์มันอยากจะนั่งต่อมัน มันไม่ได้สักทีเลยค่ะพระอาจารย์บีเลตมันจะแบบเหมือนมันมีออโตเมติกว่าสองชั่วโมงแล้วนะคือจิตจะหลุดแล้วค่ะพระอาจารย์ต้องตบคัมภีร์ด้วยการต้องพุโทโธไปหรือด้วยการสวดมนต์ไปหรือด้วยการดูข้ออาการสาสิบสองไปอย่านั่งเฉยๆว่าสติมันหมดกาลังนะต้องชาติสติใหม่ค่ะพระอาจารย์ไอค้คันว่าลูกจะออกมาเดินจงกรมมัน มันเช้าไปค่ะพระอาจารย์ก็ลองเราบางคั้มันอยู่ให้มันอยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับอาการทารกสองไปค่ะพระอาจารย์ลุ่จะพยายามแล้วสวดมนต์ไปก็ได้ทําวัดทําวัดเช้าโดยที่ไม่ต้องออกจากสมาธิก็ได้ส่วนออืดมนต์ต่อไปเลยสวดมนต์ต่อไปเลยไม่ได้มันก็จะนั่งห่อได้ถ้านั่งะพรรอาาจย์ถ้าหลังเฉยๆมันจะอยากจะออกกิเลสมันจะคอยดันไม่ออกแล้วแล้วกิเลสอะค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ อิเลช์พระอาจารย์มันเหมือนเหมือนมันมันรู้เวลาพอดีเป๊ะเลยค่ะพระอาจารย์สองชั่วโมงเป๊ะนี่มันมันมันมันเหมือนมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะมันคอยมันคอยจับอย่างกัเป็นนาฬิกาเลยอ่ะค่ะคระอาจารย์ถ้าอยากจะอยู่ต่อเราต้องสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาให้เชื่อกับมันต่อไปอืมค่ะพอาจารย์ลูกเคยเมื่อเมื่อเมื่อวันเมื่อสองวันลองแบบว่าคือแบบบอคือพอสองชั่วโมงปั๊บเนี่ยเหมือนร่างกายมันมันจะแบบ มันเหมือนมันแข็มันเหมือนมันตึงมันทุกอย่างอ่ะมันเหมือนมันติดมันหลุดแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือแบบเหมือนอยากจะแบบเหมือนมันปวดหลังมากค่ะแล้วขาก็แข็งไปหมดคือลูกลองพยายามแบบล้มตัวลงนอนนะคะพระอาจารย์คือแบบอยากจะนอนลองฝึกนอนสมาธิแต่ลูกเป็นคนไม่ไม่หลับนะคะคือไม่ไม่ได้เป็นคนแบบหลับง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่หลับอยู่แล้วแต่ว่าคือเหมือนกับมันนอนสมาธิพอมันไม่ได้อยู่ในท่าที่แบบนั่งค่ะมัน มันไม่สมาธิมันไม่ลงมันเข้าไม่ได้คือเวลานอนนี่มันจริงๆมันมันมันสบายเกินไปหรือเปล่าหรือเรายังไม่ชินนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเราจะลองล้มนอนลงอะคะ่ะก็ลองทำไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งมาวัดผลแช่ครั้งสองั้าง อ, อ๋อค่ะบางทีร <ๆ S 2> ่างกายเรายัางไม่ชินใช่ไหมคะลองปรับไปเรื่อยๆก่อนดูดูไปเรื่อยๆก่อนคือสงสัยสงสัยว่าตอนนั้นมันเกิดความแบบ กิเลสความอยากขึ้นมาเหมือนกับใจมันคิดว่าฉันจะต้องเข้าสมาธิในลักษณะที่นอนให้ได้อะไรอย่างหรือเปล่ารูกว่าก็คือมันอาจจะเป็นที่จิตเราคิดว่าเออลองแบบนอนดูนอนดูแลอยากจะเข้าสมาธินะถ้านอนอะไรอย่างนี้ยแล้วมันไม่ได้อะค่ะอาก็เดี๋ยวจะลองก็อยากไปอยากทําไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไปไดอค่ะค่ะค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะลองดูค่ะอาจารย์ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ พุทโธก็ลมก็ได้แต่อย่ า, อยานอนใช้แฉกค่ะอาจารย์โอเคไอ้ที่คุณปุ้ยต๋ารักเสมอค่ะอ่านมาสกการ์พระอาจารย์อ่าเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีค่ะไม่มีปัญหาปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอกทุกวันเลยเพียงแต่มีเพียงแข่แค่แค่สองวัน ที่ว่าถูกกิเลสมันรบกวนทำให้เราแบบว่าตื่นมา้วมันมันหลับไปอย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่ว่าโยมก็ทำทบอ่ะเพราะว่าตั้งตั้งจิตเอาไว้แล้วว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้สี่มากกว่าสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงในหนึ่งวันนะคะน ะ, ะมีแค่สองวันเออโยมทำไม่ได้แต่เรื่องปัญหาอะไรชุกคิกชุกชิกนี่มันไม่มีหรอกคะ่ะมันมีแต่ว่าต้อง ต่อสู้กับตัวขี้เกียจอะค่ะพระอาจารย์อะฮะก็ uh huh. ทำไปสู้ไม่ถอยลมลมุกคุกทำไปโยมก็สู้เพราะว่าโยมก็บอกพระพุทธเจ้าอ่ะช่วยมาเคาะหัวโยมหน่อยใ ห, ให้ให้ตัวขี้เกียจมันออกไปหน่อยเราหน่าะ่ะเคาะหัวเราเองไม่นด้พระเจ้ามาเคาะหราท่านอยู่ไกลกว่าจะมาถึงเรามันเราอาจจะแก่ตายไปก่อนก็ได้ <laughs> ใช่ <kung> <man> แต่โยมก <tinc S 1> ็รู้สึกว่าโยมเป็นคนที่มีบุญและโชคดีที่มาเจอพระอาจารย์ค่ะโยมก็เลยปฏิบัติมันเรื่อยแล้วก็โยมก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าโยมจะเดินตามพระอาจารย์นี่เลยค่ะได้ไม่ได้กับทานก็ได้แบบโยมไม่ได้คิดถอยหลังนะตอนนี้คือกิเลสมันชอบคิด ก้าไปข้างหน้าเกินเหตุอะพระอาจารย์มันจะแก้ยังไงอะก็ถ้าเราดึงวันไวมากก็ได้ค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆกุงลไม่ได้สร้างภายในวันเดียวอ๋ค่ะโยมก็แต่โยมพุทโธอย่างที่พระอาจารย์สอนโยมก็พุทโธคือคือมันเหมือนกับมีใครมาสอนโยมอะ่ะว่า <c oughs> เวลาโยมนั่งสมาธิอะพุทพุทโธพอุอาจรพระอาจารย์บอกให้พุทโธตลอดเวลายมก็พุทโธพอยมพุท พุทโธธรมโมสังโฆแล้วก็พุทโธพุทโธนี่นะคือแบบมันมันจะเหมือนกับอะไรที่มันเป็นรวมดวงอะย้อนลงไปที่กลางคลองเลยอืออฮะย่าไปสนใจอยู่พุทธโธมันจะเป็นอะไรก็อย่าไปตามมันแต่มันนิ่งมันมันมันสงบแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่เหงาและเรารู้สึกเราสนุกกับการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะได้โอเคมีอะไรไหะไม่มีค่ะพระอาจารย์ โยมมาลืมวันเกิดโยมเมื่อเดือนที่แล้วโยมจะมาขอพรโยมรู้วันจัแสดงวันจะไม่เกิดแล้วถือใช่ไหมมันมันเอ่อข้างขึ้นข้างแหลมะมันเดือนนี้แต่ไม่รู้วันไหนลืมถามแม่เอาไว้อแล้วไม่ได้ดูตามวันวันวันที่วันวันอ่าเพราะวันที่อ่ะมันเดือนที่แล้วแล้วทีนี้โยมก็ตั้งใจแล้วว่าโยมจะมาบอกกับอาจารย์นะโยมก็ลืม เลยมาเดือนนึงแล้วอ่ะยังไม่อขอพ่อย้อนหลังได้เอาไหมเกิดอนย้อนหลังกันอ่าขอให้สุขใจเจริญขอให้อยากรรมมาเกิดอีกนะจ้าทุกการขอให้ไปดูสิทธิ์นะคะพระอาจารย์ไปทุกชาติทุกานเลยดูสิทธิันยังต้องกลับมาเกิดอีต้องไปแบบไม่กลับมาเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นไม่เอาแล้วก็ไม่ลงมาแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะขอให้พระอาจารย์พาชารแข็งแรงค่ะน้อมน้อมถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะอะไรที่คุณตายพัทยาเชิญคุณตายคังไนยังรอดสาวีนามั่นคงอยู่อ่ะมั่นคงอยู่เลยค่ะพระอาจารย์ปีนี้ได้หนึ่งคันปีหน้าเอาสองคันไปดาวชิ้นแปดเลย ก็สิบแปดปีนี้ก็สิบแปดครับอาปีหน้านี้ยมกล่าว่าจะอาผมออกอะเอาผมออกเลยนะยิงแสดงว่าก้าวหน้าแลผมยิงสั้นเท่าไหร่ยิงแสดงว่าจิตใจยิงก้าวหน้าขาเต้าออกสามเดือนหอนะคะพระอาจารย์ยงคิดไว้ก็ดีอย่างน้อยเราสามเดือนก่อนถ้าถูกใจอาจจะไม่ไม่อาจจะต่อก็ได้ มันสบายแหลยมันสบายไม่อาบนนะ้ำอาบถ่ามันไม่ต้องกังวลกันเรื่องผมเลยจบ ฟ, ฟ, อ, อ, กฟ อ, อกเสร็จเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าสิ้นปีนี้ถ้าใครข้ามสี่วันปลปีได้นี่ก็จะดีแต่โยมนั่งหวัวล้านได้ใจโยมทำไม่ได้แล้วพนัดกับเพื่อนไว้แล้วแต่ว่า ไ, ได้สู่ความใหญ่ไม่ได้เปล่าค่ะการนานๆก็ เจอเพื่อนกลุ่มแต่ที่จริงก็เจอทุกปียนะคะแต่ว่ามหน น, นานมันอย่านี้มันนานมันนานที่ไหนเราที่เราไปเมื่ไร่แต่ถ้า5ปี10ปีมันเห็ว่าหน้านานๆานอันนี่ไปกันแทบทุกปีทุกเดือนเนี่ยค่ะแต่อันนี้มันไปบนดอยพระอาจารย์เําบอกว่าพาเขาไปบนดอยค่ะแต่ว่าก็หวนนึกหวนนึ า, นนานในใจอะคะว่า วิพาดแล้วไปคุยกับเพื่อนไว้แล้วก็คงจะเป็นปลายปีนี้ผงไม่ได้อยู่วัดไม่มีสติกินไม่ทันเจา้าค่ะแต่ก็ไม่ผิดสินห้าค่ะอาจารย์แน่นอนไม่ผิดแล้วมันมันผิดมันผิดมันผิดสินแปดนะสินแปดก็ผิดแต่ห <c oughs> นูยอมดูก่อนว่าองกับวันพระวันไหนบ้่งแต่ก็ยงังถียงนะคะอาจารย์ ทุกพระยอมก็ถือค่ะวันนี้ก็ถือแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปฟังธรรมเพราะว่าลูกน้องขาดแล้วอาจารย์งานจะเยอะก็เลยทํางานซะหน่อยเอย่าไปตือนขม้นสบายนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามาหนุนตาอาจารย์เรียกว่าสนุกเลยนะสี่วันนี้ดังนั้นปทันทีก็อย่าไปแบบรู้สึกรู้สึกว่าแหมไม่สบายใจหแบบ ถ้าอย่านั้นก็อย่าไปถ้าไปแล้วต้องอย่าไปคิดว่าไม่สบายใจไปนล้วมันสุดๆไปเลยสุดไม่น่าค่ะว่าอาจารย์ก็ต้องเหตุต้องลศิษอาจารย์ก็ต้องอยังไงก็ต้องสงบเส ง, เงี่อมากนะคะว่อ <laughs> าอาจารย์หรือว่าอาจจะไปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่สนุกก็ได้อ๋อโน่นนี้นไม่มาดีป่ะแต่ก็ไปบนดอยมันก็สงบนะคะว่าอาจารย์แต่ว่ามันคงมันคงหา หาเวลาผิดวิเวกไม่ได้รับค่ะอาจารย์ราะเพื่อนเยอะแล้วไม่ใช่เราคนเดียวหรอกช่วงนี้คนก็ขึ้นดอยกันทั้งนั้นน่ะ <c oughs> ดีไม่ดีรถไปติดบนดอยกอยันช่วงนี้เชืนะ่อไหมแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนเพจปลอมหรือเปล่านะครอาจารย์ <c oughs> เพราะว่ายมก็จองในเพจแต่ตอนแรกก็จะจองอีกเพจหนึ่งแล้วก็ยมโยมบอกว่าดูก่อนนะว่าเขาว่างหรือเปล่ายมก็บอก <c oughs> ยมดูไม่เป็นว่าจะรู้ได้ไงว่าเพจจริงเพจปลอม ยมโยก็หาให้ดูว่าเอออันนี้ปร้อมแน่แต่อย่าเพิ่งโอนช่วงนี้มีเพจปร้อมเยอะแต่ว่าที่ยมโยเขาจองโอนไปเอจองจองที่พักไปอะคะ่ะอาจารย์แต่ก็บอังว่าถ้าถ้าไม่เจอเพจปร้อมก็ได้บ้านพักแต่ถ้าไม่ถ้าเจอก็เรียบร้อยอยู่บ้านนะคะอาจารย์ก็สวยไปใช่ค่ะอาจารย์หาสวัสดี สาธุ้าค่ะพอาจารย์โอเคต่อไปที่เชียงรายต่อเนี่ยขเขานี่ก็อยู่เชียงรายเลยเคุณเอกการรบราการพระอาจารย์ครับผมอ่าไม่ยากหายวลายอาทิตย์นะหนายเลยครับสบาย ด, ายดีอาทิตย์เดียวครับอยู่ข้างนอกครับอาจารย์มีคําถามอะไรก็ฟังข้างนอกครับเอ่าครับผมปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามอนะไรไหม เอาวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็ร่วมฟังธรรมครับแล้วก็ครับก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ปฏิบัติให้มันเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมกายเบาจิตเบาครับพระอาจารย์วันนี่เข้าง่ายอยู่ครับพระอาจารย์ครับเคครับบางบางวันบางเช้าก็คืเกิดสันท้ครับพระอาจารย์ก็อยากจะปฏิบัติให้มันแบบทั้งวันแต่ว่าก็ต้องมีทํางานอะไรบ้างอะครับอาจารย์ครับโอเคครับผม ครับผมสาธครับอาจารย์ครับอ่าไปที่แมริแลนด์สัลินทอนคุณสัลินทอนครับพระอาจารย์เจ้าค่าะวันนี้โยมก็เข้าร่วมรับฟังธรรมเหมือนกันค่ะแล้วก็มามีรีคริสต์มาสพระอาจารย์ล่วงหน้าด้วยค่ะใกอ้สี่วันนะสี่ห้าวันห้าวันจะไปไหนหรือเปนนอา ยังลาใจอยู่ค่ะพระอาจารย์ยมยังไม่ได้ยังไม่ได้นัดไขยนะคะแต่ก็อาทิตย์หน้ายมลางานทั้งอาทิตย์ก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะคะพอดีลูกโยมมีทํางานก็ให้เขาไปทํางานแล้วยมก็ปฏิบัติธรรมแต่เขาจะหยุดไข่อันนั้นอาจจะอาจจะไปนิดนึงค่ะแต่ยังไม่ทราบยังไม่ได้มีแพลนอะไรอะคะอ่ ะ, ะถ้าปฏิบัติธรรมได้ก็ดีที่สุดนะ ค่ะพระอาจารย์ก็จะตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะว่าช่วงนี้ยมฟังธรรมะแล้วก็ได้ยินว่าปฏิบัติให้มันเสร็จภายในชาตินี้จะได้แต่ต้องทําให้เข้มข้นพอเราฟังแล้วเราก็มีกําลังใจอ่ะค่ะ mm hmm. ยิ่งมาร่วมฟังในสุ่มมีติ้งพระอาจารย์ก็ยิ่งมีกําลังใจว่าเาออเราต้องเราต้องพยายามเราต้องปฏิบัติให้มากขึ้นกว่านี้เรายิ่งพระอาจารย์พูดว่าอเราเกิดมาแล้วเราเร า, เ ร, ารออะไรอยู่เราเสียเวลารออะไรอยู่ เอ้คำคำนี้ค่ะมันเหมือนมันจุกอยู่ในใจของโยมะค่ะว่ามัน mm hmm. มันเป็นคําที่เออมันเป็นคําที่ทำให้โยมเริ่มปฏิบัติจริงๆแล้วเลยอะคะ่ะ mm hmm. เมื่อเจ็ดปัดผ่านมาอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาจากในใจโยมแล้วโยมก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา mm hmm. แล้วทุกครั้งที่ทำนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออเราเราเสียเวลาจริงๆเรามัวแต่หลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในการงาน หลมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรายังหลุดออกไปไม่ได้แล้วมันก็มันก็ ห, นหล่นเพื่อที่จะพยายามให้ให้ทำให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะอื่แต่ค่ะพ อ, พอเริ่มทําแล้วมันจะทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่หยุดนะแต่ท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราทําทางนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องไปถึงสุดทางใช่ไหมคะอ า, าจารย์ใช่ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ตั้งใจอย่างน้อย มีทางมีทางออกยังมองเห็นทางบ้างโอเคสาวุจ้คุณจิ๊บเข้ามาเปล่านี้ยังไม่ได้เห็นเรืออาจจะอยู่ข้างหลังอ่าไปทไี่คุณปางว่าอะไรต่อคุณปางว่าอะไรสีล่าชากลับนำ้ำมันสกันค่ะพระอาจารย์ก่อนเข้าซูมค่ะพอดีได้ทําสันิสัญญากับสามีแล้วก็พอดีอืเรื่องทําพานอาหารเย็นนะคะพอดีสามีเขาเลยบอกว่าเอออยาก ลดอาหาร<ม>ช่วงเย็นด้วยจะได้ลดความอ้วนหนูก็เลยบอกว่า<ม>ดีเลยหนูจะได้กลับมาถือสินแปดใหม่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็บอกว่าเออๆ อ, อนั้นทำได้กันมันก็เลยเหมือนกับยิงนกยิงน ก, งนกครั้งหนึ่งก็ได้สองตัวอะไรค่ะ<ม>ก็คือพอเราถือสิลเขาก็ทําตามด้วยก็คือไม่มีคนขัด<ม>ก็น่าจะทําได้มากขึ้นค่ะ<ม>ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะปีหน้า<ม>กําลังคิดอยู่ว่าจะลาออกจากงานหรือเปล่าค่ะเรากลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดอมืม กำลังวางแผนไว้ค่ะว่าว่าถ้าไม่มีงานทำเราจะทำยังไงต่อแล้วก็เราก็ไม่ไม่ได้ใกล้เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้าพระอาจารย์แต่ว่าหนูก็คิดว่าสี่ปีที่หนูเรียนมาน่าจะเพียงพอค่ะแล้วก็ติดตามฟังทำตลอดแต่ว่ามันเป็นวางแผนไว้ค่ะอาจจะประมาณาะควอเตอร์สองะไรเงี้ยค่ะก็เนี้ยเข้าวชม ง, ง่ายก็เข้ามาในช<ะ>ม <c oughs> มาเจอก็ก็ จะพยายามต่อไปนะคะเพราะว่าตั้งใจไวค้ค่ะว่านิพานเอาให้เสร็จชาตินี้ค่ะดีดีอขอบพระคุณทำได้ถ้าทำไม่ได้พระเจ้าจะไม่สอนนะพระอาจารย์สอนสติปัฐานสี่เพราะรู้ว่าถ้าทำตามได้ก็จะสามารถไปถึงนิพานได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยเจ้าค่ะผจะพยายามทำให้ใหได้ค่ะขอบพระคุณทำของพระอาจารย์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะสาธุจ๊ะ เป็นอภิเศศสกลนครเจอไป็นยังไงนองอาารย์อาจารย์ครับก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์วันนี้ อ, ไอไนะืไม่มีอะไรเนอะถ้ามีอะไรก็ผ่านเลยนะไปต่อเลยนะครับไปที<ม>่คุณพันธาการต่อคุณพันธาการใช่ รรมาสักการกับอาจารย์อยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ชนบุรีคะ่ะอ่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะเข้ามาครั้งแรกคะ่ะเราปกติก็ไปฟังธรร ม, มานุกุติที่ที่ทวัดประจําค่ะอ่าค่ะวันนี้ก็เลยลองมาฟังธรรมในสู่ร่วมกันด้วยเป็นยังไงดีไหมดีคะ่ะก็เพิ่งได้คือเพิงพ่งได้เริ่มแบบ ยังเดินช้าๆอยู่ค่ะเริ่มเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยธรรมะที่พระอาจารย์สอนแล้วก็ฟังเทปย้อนของพระอาจารย์บ่อยๆอก็ได้คําตอบในหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็ก็จะค่อยๆเริ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่ต้อง먼ศึกษาไปก่อนแลาจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะค่ะอืมดีทําไม่มีอะไรก็ทันนี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์ อ, อ่อีกใบที่คุณหน่อยชอยายนิดเจอหน่อยถามานามัตสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารยได้ยินชัดเจนว่ามาเล ย, ม, เลยมีอะไรบ้างไม่มีคําถามเจ้าค่ะออันนี้ทุกอย่างโปร่งใสสบายใจอ่าเหมือนเดิมเจ้าค่ะว่าวุ่นสุดๆเหมือนเหมือนกั น, นกับทุกคนแหละค่ะแต่ว่าก็ต้องอย่างที่พระอาจารย์บอกต้องเอาธรรมะคมแล้วก็ต้องหาพอใจมัน ทุกก็หาเวลามานั่งสมาธิเดินจงกรมเจ้าคะ่ะ อ, อืเพราะปีใหม่หน่อยว่าตั้งใจว่าจะไม่ไปไหนเจ้าคะ่ะจะนั่งสมาธิอยู่บ้านจ้าคะ่ะแล้วก็เชื่อสิ่งผ้าซานเจ้าคะหน่อยขอแชร์เรื่องหนึง่งอ่าคือสามีที่บ้านนะเจ้าคะ่ะเขาอ่าเหมือนเข้าใจธรรมะก็คือว่าคนเราจะต้องการอะไรอยู่ดีเขาก็พูดว่า เดี๋ยวก็ตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเหมือนเขาได้ยินสิ่งที่หน่อยทําอยู่ทุกวันที่คุยกับพระอาจารย์สัปดาห์เหมือนกับ เ, เริ่มปร่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะค่ะหมายว่าเพราะว่าเข้ามาซูมแล้วรู้สึกว่าดีจ้ะค่ะก็ดีก็เข้ามาบ่อยๆถ้าใดประโยชน์ก็อย่าอย่าทิ้งไว้ไว้ไม่ได้ประโยชน์แล้วค่อยทิ้งค่อยอยากเข้ามา ถ้าเข้าม า, าได้ประโยชน์แล้วเข้ามาเรื่อยๆเจ้าค่ะอยากแนะนําหลายๆคนมากเลยอ่ะถ้าเข้ามาเรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับทุกข์ได้โดยที่เราไม่ทุกข์นะคอือพระอาจารย์คาหน่อยขอพูดอีกเรื่องนึงนะค่ะพระพุพทธเจ้าบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรเจ้าค่ะคืออะไรพระพุทธเจ้ามาได้พูดหรอพระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันไม่แน่นอน เ็นแต่ก็เลยมาเล่นสำนวนว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนอันนี้มีการเล่นสำนวนอะไรนั่นเองก็คืออืคือความจริงก็คือความไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเจ้ะค่ะพก็เหมือนเราจะตายวันไหนเรามันก็ไม่แน่นอนถูกไหมจ้ะค่ะไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนจะรวยจะจนเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นอนใช่ไหมจ้ะค่ะแต่เวลามันจะรวยมันก็รวยแค่ามา เวลามันจะจนมันก็หมดเนื้อหมดตัวได้เจ้าค่ะต้องมีสติใช่ไหมเจ้าคะมีทัศนสติแล้วก็มีปัญญาคอยเตือนใจว่าอย่าไปหลงมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอืมีเกิดมีตายเป็นธรรมดาอเจ้าค่ะนก็จะพยายามเปลี่นสติตัวเองคอยดูใจตัวเองอยเลยทางานอ่าทำไปไเรื่อยๆนะ ธนาครโอเคใบที่คุณจอยต่อพัทยาจอยเก่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนโตเกับมาจากเชียงรายแล้วค่ะมาเยี่ยมบ้านใส่หูฟังพัชีมไรเนยไม่รู้ประกาศพัชร์เราไม่รู้ก็มาเช้าก็ใส่บ้านอม่รู้อ่าเอาคุณแสงคุยฮะจะมันช้าไม่สอย แยกกันไม่ต้องใส่อนื้้หญิงครับครับสวยๆวันดีครับกลับดีๆค่ะโอเคอืมค่ะเมื่อสาวไม่ได้กลับเป็นทางการคอนเลยคนเยอะค่ะใส่วานไม่สะดวกอืมใช่ค่ะแต่ว่าวันศุกร์นี้หนูเข้าวัดแล้วค่ะนีค่ะเข้าใครดูใครดูลูกให้ไอ้คนโตเนี่ยแหละค่ะอ่พอะติดพี่สาวอยู่แล้วก็ เดี๋วหนูจะไปฟังเทศสองวันเสาร์อาทิตย์อพอหนูเข้าวันสุขค่ะก็หนูเหมือนเดิมค่ะใส่บาตแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนค่ะโอเคสาธุพ ร, รอะอาจารยใครต่อคุณหนึ่งอ่ะเชิญคุณหนึง่งคุณหนึ่งได้ยินไหมจะเปิดไม่ได้เลย อ, อันนี้นะ อาจารย์ส่วนมิววัน้มิวะกรน้อมสักการคะ่ะพระอาจารย์วันนี้มมไม่มีคําถามค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็เข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าวันนี้ไม่มิไม่มีคําถามอะไรคะ่ะพระอาจารย์กบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะมาร่วมฟังธรรมได้รับประโยชน์มากเลยค่ ะ, ะสยสาธุค่ะไปที่คุณจิ๊บเดี๋ยจิ๊บจิบแมวเวลานการนมักการค่ะพระอาจารย์อาจารย์สบายดีไหมคะ สบายดีมีวันไหนที่ไม่สบายมากไม่มีนะ <c oughs> อมรสาธุค่ะดีค่ะพระอาจารย์โ <c oughs> ยมก็มันไม่รู้ว่ามันเรื่องนี้มันควรจะเล่าหรือไม่ควรแต่แบบมันเป็นเรื่องลูกอะค่ะพระอาจารย์นิยมก็แบบยโยมโ ย, ย, ยมเฉยๆลูกก็ไปหาเรื่องมาให้เราแบบต้องมาเป็นส่วนเหมือนเหมือนผู้สมนูร่วมคิดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยแบบ ไม่รู้จะทํำยังไงคือลูกมีแฟนใช่ไหมคะแล้วลูกก็มาปรึกษาเรื่องแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเหมือนกับให้โ ย, ยมไปช่วยทําอะไรเขาสักอย่างเราโยมรู้สึกแบบถ้าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาไม่รับรู้แล้วเราจะโยมก็เลยแบบโอ๊ยทํำไมต้องให้แม่มาเป็นคนรับรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ยมันเนี่ยนะนภ aja จริ ง, รงๆคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันทุกข์จริงๆแล้วโยมเลยรู้สึกวแบบ่าคนไหนไม่มีลูกนี่ถือว่าเขาไม่บุญจริงๆ แล้วอย่างนี้โยมไม่รู้ของต้องใช้สติหรือว่าต้องคิดว่าถึงแม้เขาจะเป็นลูกเราเขาก็มีกรรมของเขาเองอย่างนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์เราก็ทําอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ปลงไป ถ, <c oughs> ถ้าทําให้ลูกไม่ได้ถึงแม้เขาจะอารมณ์เสียเขาจะโกรธเราก็ช่วยไม่ได้เ ร, เราทําไม่ได้อย่างเขาจมจะจมน้ําแล้วเราไหวยน้ำไม่เป็นเราจะไปช่วยเขาได้เไงจะให้เราไปจมหนอำเขาเนี่ย ใช่ค่ะเหมือนกับให้เราซื้อเหล้าให้คนที u ่อายุยังไม่ถึงกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่หนักก็อย่าไปทำเดี๋ยวผิดกฎหมายนั่นต้องยึดหลักความถูกต้องไว้ค่ะมันไม่ผิดกฎหมายหรอกค่ะของรัฐรัฐแมรีแลนด์มันลัฐที่ยมอยู่มันไม่ผิดะค่ะไม่ถึงไม่ใช่เรื่องเหล้านะคะไม่เขาไม่ซื้อเองเสร็จถ้ามันไม่ผิดเขาก็ไปซื้อเองได้ใช่ค่ะใช่ยังก็แบบไม่ถึงไม่ใช่เรื่องเหล้านะคะไม่ใช่เรื่องเราแต่ว่าแค่พูดด้วยฟังว่า ความรู้สึกของโยมอะถึงแม้มันจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันมันผิดความความเชื่อของเราอะค่ะมันผิดตัวเราเองอ่ะตัวเราความคิดของคนเป็นแม่อะค่ะและจะให้แม่ไปมีส่วนในการที่จะทําให้ลูกเพื่อไปทําอะไรแบบนิญโอมรู้สึกแบบโยมไม่โอ๊าก็อย่าทํำเลยเราต้องยึดความถูกต้องเป็นหลักถ้าเราถือสิ่งที่ไมเดืนชื้อราเราถือสิ่งเราไม่เดือดเชื้อราเราก็ไม่สนับสนุนใครให้เดืนชื้อราแม่แต่จะสอนห้ามเราไม่ให้ไปเดืน ใช่ค่ะยมก็เลยว่าเออแล้วก็อยากจะเดินก็ไปซื้อเองไม่ห้ามก็อยากจะเดินก็ไปซื้อคิดอยู่เองค่ะค่ะยมแค่คิดแค่เปรียบเปรียบเปยเฉยๆค่ะว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าคุณจะไปทําอะไรก็เรื่องถ้าคุณทําได้คุณก็ทําแต่ถ้าแปลว่าเรื่องนั้นคุณจัดการไม่ได้แล้วมาให้แม่จัดการให้หก็แปลว่ามันไม่เป็นสิ่งที่สมควรจะทําเพราะฉะนั้ น, นถ้าแมน ถ, ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะทํา ใช่ค่ะในในความรู้สึกของโยมอะมันไม่ถูกต้องอ่ะคนอื่นอจะมองว่าโอ้ยเด็กรุ่นนี้สมัยใหม่มันโอเคแต่สําหรับโยมเองไงโยมว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ่ะผิดศีลผิดธรรมมันจะถูกต้องไงม่เดี๋ยวจะไปอับายนั่นเลงใช่ค่ะแล้วคือต้องทําอะไรหลบหล บ, ล บ, ลบซ่อนๆผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งโยมแบบโยมว่าโยมไม่ไม่โอเคมากๆเดี๋ยวมจะผู้ปกครองเขาแล้วเขาจะมาโกรธเราอีกมาไปส่งเสริมพิยุยมให้ลูกเขาเสียเอง ใช่ค่ะโยมก็เลยคิดแบบว่าสงสัยโยมคงต้องไปคุยกับผู้ปกครองอีกฝ่ายหนะึ่ะว่าลูกยูอยากจะทําแบบนี้นะยูโอเคเป่าไม่ต้องไปพูดหรออย่าไปพูดเลยพูดเดีย๋ยวเป็นเรื่องเหรอคะก็คือเราเราก็ไม่ไมท<ำ>ําในส่วนของเราใช่แล้วส่วนของเราก็ไม่ทําส่วนของเขาเราอย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวว่าจะหามายุ่งกันฉันทำไม คือเขาคือค ย, ยมก็ไม่ต้องก็คือถ้าลูกเราอยากได้อะไรเราก็ไม่ให้แค่นั้นเองได้ถ้ามันผิด<ช>ก็อยานะ่าไปทํำนั่นเลยค่ะถึงยมก็บอกเขาแล้วค่ะถึงแม่แม่จะเป็นคนเปิดเปิดในความสมัยใหม่แต่แม่ก็มีจุดยืนของแม่เหมือนกันอย่างนี้นนก็สมัยนรกไงสมัยใหม่กับสมัยนรกจริงนะคะอาจานย์พวกสมัยใหม่ก็ไปนรกแบบยมไม่เข้าใจมากมากเลยค่ะแบบมันเป็นเรื่องท <ภา S 2> ี่แบบ กินกินเหล้าแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปก็ทําแทงใช่ไหมกินเหล้ามาแล้วเดี๋ยวก็ไปทําแทงต่อเองใช่ค่ะยามแบบนี่แม่พยายามป้องกันไม่ให้เราไปลงเรื่องตัญหานละคะเรื่องอบายอะไรพวกนี้นะอืมแต่าโมโหแม่ก็เป็นเรื่องของคุณละกันแสดงว่ามันเป็นคนไม่กระตันอยู่ไม่รู้คุณคุณของแม่แม่รักเราไม่ไม่ท่าเหมือนกันค่ะแต่เขาก็ฟังแม่นะคะแต่ว่าก็แค่ ก็แค่โยมแค่เห็นว่าถ้าแม่เขาก็อาจจะชุนเฉียวถ้าแม่ไม่ให้ทําแต่ว่าโยมก็บอกว่ามันมันเป็นสิทธิ์ถ้าคุณจะทําแบบนี้ต้องว่าคุณก้าวขาไปข้างหนึ่งไปเป็นผู้ใหญ่แล้วนะั้ะไม่ใช่อายุเป็นวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมาบอกแม่แม่ก็ดีใจที่บอกแม่แต่แม่ไม่สนับสนุนใช่แล้วก้องยืนเข้าไปในทางที่ดีโยมไปปล่อยเข้าไปในทางที่แม่ดีได้ไง ใช่ยมก็ว่าแบบเอ๊ะถ้าเราปล่อยถไปสนับสนุนนี้เขาไปทําอะไรเราเป็นแม่ที่ดีหรือเปล่าเกิดพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้แปลว่าเราสนับสนุนให้เขาทําในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรอย่างนงั้นหรออช่ยมก็เลยว่าเออเอางั้นยมเชื่อพราาะเจย์ดีความยมไม่ไปคุยกับฝ่ายนู้นแล้วก็ทําฝ่ายของเราเองดีกว่าอ่าดังนนั้นจบฝ่ายนู้นไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ค่ะแบบโหยอมเครียดจริงๆเครียดกับเด็กรุ่นนี้จริงๆต้นใจท่านเข้ามาถามว่าพูดได้ท่านเข้ามาคุยกับเราแล้วก็พูดได้แต่เร<ฆ>อย่าไปอย่าไปยุ่กับเขาโดยที่เขา<ฆ>ไม่ได้ไม่ได้ชวนเราเชิญเราเนาะค่ะพระอาจารย์ค่ะยมกรขอบคุณนะคะวันนี้แบบเครียดตั้งแต่เช้าเลยเรื่องเนี้ยค่ะยมแบบโอ้ยมบบันเป็นอะไรที่หาจจะห้เครียดได้ยังพอแล้วค่ะ ขอบพระคุณกับพระอาจารย์ถึงแบบยอมแบบเนี่ยแหละรอฟังพระอาจารย์ให้คําแนะนำเพราะถือว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดยมจะยึดปฏิบัติยึดถือตามอะค่ะ <ừ. S 2> ขอบพระคุณ <ừ. S 2> นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ช่วยเตือนดึงสติยอมค่ะ <ừ, S 2> อย่ายาไปเกรงใจคนให้เกรงใจทำถ้าเกรงใจทำแล้วทำก็แหลกใช่ไห <oughs> <c oughs> ะต้องรักษาธรรมไว้ยิ่งกว่าชีวิตเลยพระเจ้าบอก ให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมใช่ค่ะโยมก็คิดว่ายอมตายดีกว่ายอ ม, อมยอมโกหกหรือว่าอะไรแบบนี้ย อ, ยอมทําผิดยอมทําผิดไม่เอาดีกว่าค่ะอืะแสดงว่ามันมั่นคงมากเรื่องศีล น, นะค่ะอืดีแล้วะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ยินดีด้วยสแสดงความยินดีด้วย ค่ะกลับขอขอบคุณครับอาจารย์ขอพอาจารย์ทัาท์การแข็งแรงนะคะก็จะคริสจะคริสต์มาสแล้วก็พระอาจารย์ก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุจ้าค่ะสาธุค่ะโอเคคุณเกดบัณฑด็ตเปิดวีดีโอไหมคุณเกดอยากจะพูดไหมเห็นเห็นภาพนึงถ้าภาพนึงเดี๋ยวไปที่คุณคุณจุกเอ้ยคุณคุณลาก่อนเี่ตอนนี้คุณลา่อนี่คำถามอะไรเนีย มีทั้งหมดหกคำถามจากทาง Facebook <c oughs> และย t u b e เจ้าคะ่ะ <c oughs> คำถามแรกจากคุณวันธนาเรียนถามคะ่ะเวลาเห็นคนตกทุกข์ลำบากทีไรก็จะเกิดเวทนาบางครั้งถึงกับน้ำตาไหลเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะขอบพระคุณคะ่ะเราก็ต้องนั่ ง, งับใจเราอย่าให้ไปทุกข์กับเขาเอา่าต้องให้คชดตามคำสอนพุทธาวาว สัตทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่ของทุกข์ก็เพราะเขาไปทําไปทําบาปมาเขาก็ต้องมารับผลของบาปของเขาถ้าเขาสุขก็เป็นเพราะว่าเขาไปทําบุญมาแล้วก็ได้รับผลของบุญคือความสุขเราไม่สามารถไปเปลี่ยนกนแห่งกรรมได้นะแต่ถ้าเราช่วยเหลือเขาไ ด, กได้ก็ช่วยเหลือเขาไปถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือ ได้ช่วยเหลือไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาอืมมีสามคำถามจากคุณธีรภูมิค่ะกราบนรมาส ก, การพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งถ้าเรามีความเพียรมากพอการอดอาหารหรือการอดนอนก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับก็ไม่แน่นะแต่วาบางทีถึงมันจะมีความเพียรแต่มันอาจจะไม่ไม่ไม่มีสติก็ได้ บางทีบางอย่างมันช่วยเสริมสติให้เราด้วยทาความเพลินนี่นเสริมสติให้เราด้วยคำถามข้อที่สองระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจําวันเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างควรกําหนดหยุดคิดหรือควรพิจารณากายอย่างไหนจะดีกว่ากันครับถ้ายังไม่มีสมาธิาครับควรหยุดคิดก่อนฝึกสมาธิฝึกสติไปก่อนถ้ามีสมาธิแล้วก็คิดไปทางปัญญานะ พิจารณาร่างกายได้คำถามข้อที่สามการหยุดคิดหรือการพิจารณากายดีกว่าการดูลมหรือท่องพุทโธใช่ไหมครับกราบขอบพระคุณครับก็ใช้แทนกันได้แล้วแต่เราว่าอันไหนทำให้ใจเราสงบเราก็ใช้อันนั้นไปคําถามต่อไปจากคุณวรรธนาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยู่นนทบุรี อยากร่วมทําบุญถวายพระอาจารย์แต่เนื่องจากอยู่ไกลจะมีวิธีถวายได้อย่างไรคะขอบพระคุณค่ะบแติดต่อคุณหลาเนี่ยคนที่อ่านคำถามเนี่ยเขาจะบอกข้อมูลให้ว่าจะวิธีทําบุญจะทำอย่งงางไรคำถามข้อสุดท้ายจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการที่มีขวดน้าดื่มวางอยู่ตามศาลาเจดี JD, วางอยู่ แล้วพวกญาติโยมสามารถหยิบดื่มได้ไหมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพิสุสง์ขอความเมตตาขอรับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาวางไว้เพื่อญาติโยมดื่มหรือปลถ้าเขาวางไว้ใญาติโยมดื่มญาติโยมก็ไปดื่มได้ถ้าเราไม่แน่ใจก็ถามได้ถามว่าน้ำเหล่านี้ดืด่มได้ไหมอย่าไปทําในสิ่งที่เราไม่แน่ใจถึงแม้จะไม่ผิดก็ก็ถือว่าผิดเพราะไปทําทําโดยที่ไม่แน่ใจนะ เพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจก็ต้องถามให้ให้แน่ใจกันว่าน้าเหล่านี้ให้ญาตยมดื่มหรือเปล่าถ้าให้เราก็เอาไปดื่มได้ถ้าไม่รู้ก็อย่าไปอย่าไปหยิบหมดแล้วเลยคุณถาหมดแล้วเจ้าพำนคุณเกิดมาพอนะเป็นเกิดว่ามาเป็นยังไงสวัสดีนะเกิดทำนักนักสการ์ครับรีแบตจะหมดก็เลยต้องมาชาร์ท อ่าก็ไม่มีคำถามครับเองจะบอกอาจารย์ว่าเหมือนชว่วงนี้ดูกายเยอะแล้วก็บางทีมันอึนอดอัดขึ้นมาครับอาจารย์ก็ใช้พุโทโธแทนพุโทโธช่วยนะครับช่วยพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ใช่ไครับครับน้อมนำไปปฏิบัติครับได้สติแล้วอ่อนยอี่งเลยมันเป็นกำลังมากอ่ามันดีเห็นคุน กุญแจเข้ามาหายไปแล้วคงจะหลุดยังไงไม่ทัาโอเคคิดว่าทุกคนก็ได้ถามคำถามตามที่ต้องการแนละ้วคิดว่าพอสมควรเต่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังใบพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในถาม ย, ยิ่งขึ้นไปเถอ